พ่อแั้งคัดสนะคะหมอไม่ให้นัง่งพับเทีย่ลยงอะไรลองก็ได้ไอันนี้โอเคแล้วต้นะอาสนะ แ, แค่ไม่ให้นัง่งพับเทีย่ยง<อ>เพราะว่ามันไปเคยมีปัญหาที่หมอนรองกระดูกหลานมีปัญนน่าเคยไปตอนนล้นเปทน่ขาทีขาเยอะค่ะแล้วก็คงไปทำมากเคยผิดหมอนรองกระดูกมันก็เล ย, ยเหนเคลื่อนเคลื่อแล้วก็เลยดัน มากเกิแล้วก็วาแล้วก็ตีเลกโอเคแ่ว่าเขาบอกว่าไม่ให้นั่งขับเคียรันแรที่มันเหมือนไปบิดเซนดีแล้วไม่เป็นไรออนไม่เป็นไรเพราะในอย่างศรีรังกาเนี่ยเวลานั่งเนี่ยเขาเหยียดเท้าเเป็นั่งคุยกับพระี่เหยียดเท้าพัฒาได้เลดี เรื่องการเคารพหรือไม่เครารพเนอยู่ที่ว่าเราจะตั้งกติกากันตั้งกติกากันนั่งพับเคียบถือว่าเป็นเครารพก็ได้นั่งคัดสมา ถ, ถือว่าเครารพก็ได้มปนอยู่ที่ว่าถ้านั่งพับเคียบแต่จิตใจไม่เครารพก็ยังทำได้เลยใช่ไนั่งคัดสมาแต่จิตใจกระด้างกระเดื่องก็ได้ขอเขาอาสภาพจิตใจที่อ่อนโยนอันนั้นจะเป็นประมวลแต่ <c oughs> ว่าเรามีเพณีอยู่เพณีก็เหมือนอย่างเงี้ย เหมือนพระไปเดินบินไปบินธบาตใช่ไหมเว ล, ลาพระจะให้พรเนี่ยถ้าบ้านเราเนี่ยเราจะนั่งกับพื้นพระจะยืนให้พรเอ่อแต่ถ้าในหลักการในพระศาสนาเนี่ยพระบอกว่าให้พรแก่บุคคลที่นั่งที่ไม่เป็นใครและนั่งอยู่ในพระบิณบาตต <c oughs> สมมุิวยแหนใส่บารรรเสร็จจแ <c oughs> แลล้้้้ววยยพพพะะใหนะหนนนีังงั่งงกบืน <c oughs> ท, ทั้งท่านที่โยมแหวนไม่ป่วยไม่อะไรเนี่ยเนี่ยพรให้พรเนี่ยพระรูปนั้นเป็นอาบัติอ้าว <c oughs> ออยืว น, น่ว่าในกรณียืนอยู่นะะยืนอยู่ยไม่ไ้ในกรณีแบบนี้สมมติว่าอามายือนอยู่ใช่ไหมยืนยืนถือบาทเนี่ยเลวลาใส่บาล้ยองแวนใส่บาทยืนใช่ไหยืนเสร็จปุ๊บแล้วยงแหวนก็นั่งะละพรพระให้พรเนี่ยจะเป็นอาบัติ อ, า, อาบัตกับพราเนี่ยผลไม่นนทราบเลยเหรอเหตุผลเหตุผลก็คือหนึ่งท่ายืนนะท่ายืนการเคารพก็คือยืนยกเว้นถ้าคนสูงอายุคนป่วยเนี่ยไม่เป็นอาบัติร น, นการนั่งถือว่าไม่เนคารพแล้วคนก็ไปคิดว่าเหมือนว่าถ้าเราตามกว่าจะดูเหมืนอน ในในศิกษาบทที่พระท่านสวดทุกถึงเดือนเนี่ยสิบห้าวันสวดครั้งเนี่ยเขาเรียกเสกียวัดวัดเขาเรียกวัดเกี่ยวกับการบินรบาดพระที่ไปถือบิดถือบินรบาดฉะนั้นมาระยะหลังพอมาในประเทศไทยพระก็เลยถือการไม่ให้พรไม่ให้พรก็ไปพิติตค้อนคือการรับอาหารแล้วไม่อนุโมทนา เราไปพ้าหลีกไม่ได้แต่พักก็หลีกกี่ข้อนี้ก็ไปไปไปเสียอีกข้อนี่จริงๆแล้วเน่ก็เลยกลายเป็นว่าอาประเพณีนะวัฒนธรรมประเพณีมันมีก่อนมีก่อนที่พุทธศาสนาที่เข้ามาแล้วประเพณีและโดยมากบางทีแล้วก็มาคิดประเพณีกันโดยไม่ได้ให้สอดคล้องกับในในคำสอนของพระเจ้ามันก็เลยกลายเป็นลักนะ ก็ไม่เป็นไรก็ให้รู้ไว้แล้วเราก็ไม่ทำเด๋อวนี้หมอทุกหมอเลยบอกว่าไม่ให้นั่งเพียงแล้วก็ไม่ให้นั่งข่ยข้างบอมันไม่ดีสำหรับหลังก็ดีกันรักษาสุขภาพไว้แต่เรื่องอื่นไม่มีนะเรื่องอนไม่มีโรคมีโรค มีแต่โรคภาษากำลังรักษาไม่มเป็นหรอกันมีที่ว่าจะพูดเรื่องก็คือว่ามีคนคนหนึ่งเขาไปหาแล้วว่าเขาอกหกักเขาจะทำยังไงต้อผิดหวังจะความรักพระก็เลยบอกว่างั้นงั้นคุณจงรักษาความอกหักไว้นะอย่าให้มันเปลี่ยน คือรักษาความทุกข์เขาไว้อย่าให้ความทุกข์มันหายไปคุณสามารถรักษาได้ไมัไอย่าให้มันเปลี่ยนทนนี่ความทุกข์อันเนี้ยความทุกข์จากการผิดหวังนั้นรักษาเขาไว้คุณรักษาให้ได้ให้ได้ทุกวันเลยนะประคองมันเขาไว้ประคองความทุกข์ประคองความผิดหวังเนี่ยประคองมันเขาไว้อย่าให้เปลี่ยนอยวแหลนนะําด้ไหมอืมเห็นไหม ไม่ได้พอป่ายไปแล้วไม่ถึงเดือนแล้วฮะไปไงมันหายไปแล้วเอาตอาไ ม, ไม่รักษาไว้อะประคองมันกไว้ดีต้องการชี้เห็นจริงๆแล้วสรรพสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนพอเจอทุกข์ใหม่มันก็ลืมทุกข์เก่าพอเจอสุขใหม่มันก็ลืมสุขเก่าบรรดาสัตว์โลกข้างหลายมันเป็นอย่างนี้นนปลี ม่เปลี่ยนตัวมันเองดลอดแต่คนบงคนเนี่ยพยายามยืงไม่อยากให้มันเปลี่ยนแค่ฝืนอะไรฝืนความจริงของโลกและชีวิตพยายามจะฝืนมันไว้ว่ารักษาไว้นะ <c oughs> รักษาไว้ไว้แล้วเขาเปลี่ยนงั้นแต่เรารู้กดไตรลักแล้วเนี่ยบางทีแทบไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยม่นเปลี่ยนตัวไม่ได้เลย การที่ไม่ต้องไปทําอะไรมันแล้วนี่คือถอนก็ดูความจริงมันไปว่ามันจะมันจะช่ำใจไปได้กี่วันมันจะทุกใจไปได้กี่วันดูไปเลยใช้ปัญญาเขาไปดูสอดส่องมอนอ้าอยากทุกๆไปแล้วบอกมันด้วยนะอย่าเปลี่ยนยังทกใจจังทุกกับคนนี้บ่อยๆทุกๆเอาแล้วเราต้องคิดถึงคนนี้บ่อยๆมันจะทุกข์เหมั้ยพยายามคิดพยายามคิดพยายามคิด แต่คามันหมดเรื่องคิดแล้วมันคิดซ้ำนี่ปัญญามันเกิดมันคิดซ้ำนี่รรมนนสมมติถ้าความไม่ดีของเขาเนี่ยเออสิบเรื่องพล้วเราคิดได้แค่นั้นนักเข้าหนะครับต้องปรงแต่งให้มันไม่ดีมากกว่านั้นมันยิ่งทุกขมากอยู่ไหมก็ปงแต่งขยายมากขึ้นขยายมากขึ้นขยายมากขึ้ น, ยยนโอ้โหต้องพยายามมากเลยกว่าจะรักษาความทุกนั้นไว้กว่าจะรักษาความโกรธนั้นไว้ได้ต้องเพียรพยายามมากเลยอจริงไจริง ต้องโหาวิธีการเยอะแยะคือพยายามจะต้องคิดต้องแง่ทุก ม, มุมที่จะเอาความไม่ดีของคนนี้ออกมาให้มันเห็นพอคิดไปคิดมามันก็เซ็งมันเบือ่อเอ้ยมันมีเรื่องเดิมๆอยู่นี่ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่ไอ้เรื่องแบบนี้มันน่าจะไปทําชั่วให้มันวิจิตมากกว่านี้ใช่ไหมไอ้คนตัวนี้เราจะได้มีเรื่องชั่วให้คิดบ้างมากก็มีเห็นมีไม่กี่เรื่องแค่นี้จริงนะจริง เขาถึงบอกบางทีเนี่ยวิธีคิดว่าคนบางคนเนี่ยมีพฤติกรรมทางกายไม่ดีไม่ดีเลยทางกา ย, ยากระปับรู้พฤติกรรมแย่มากท่าสัตว์บางรักษาบางทําคิดไม่ดีก็พฤติกรรมทารมีพฤติกรรมทางกายไม่ดีแต่พฤติกรรมทางวาจาและทางใจก็ดีให้มองอะไรก็ให้มองส่วนดีเขาสองส่วนเนี่ยใช่ไหมก็เอประโยชน์ ก็อุปมาอย่างไงดีอุปมาเหมือนเหมือนพระท่นว่าพระเนี่ยเวลาเดินเดินไปแล้วท่านไปเจอผ้าผ้าผ้าพื้นหนึ่งวางกับพื้นผ้าทีิวทิ้งหนึ่งผ้าสมัยก่อนก็อย่าผ้าเนี่ยเออ ม, มาทํากีวรแต่มันขาดชายผ้ามันขาดอยู่ชิ้นหนึ่งเออแต่ไอ้ส่วนที่เป็นประโยชน์มันมีอยู่อ่ะ ท่านก็เลยใช้เ ท, ท้าเหยียบส่วนที่ขาดใช้มือจับดึงส่วนที่ขาดทิ้งแล้วก็ส่วนที่ดีๆมาเอามาซักมาเย็บมาย้อมทาเป็นประโยชน์ได้<ม>เห็นไหมเนี่ยอ๋อคนบางคนนี่มีพฤติกรรมทางกายไม่ดีแต่พฤติกรรมทางวาจาทางใจก็ดีแล้วก็ส่วนดีก็เข้ามาใช้ให้ได้เป็นประโยชน์เป็นผ้าไปเห็นผ้าเนี่ยไปส่วนไม่ดีก็ทิ้งไปเสียเอาส่วนดีมาทําให้เป็นประโยชน์เสียนี่วิธีมองวิธีคิดชื่นใจไว้ถ้ามองแบบนี้อ้าว บางคนเนี่ยมีพฤติกรรมทางทางกายดีแต่วาจาไม่ดีทางกายทางทางใจก็ดีอะทอํายังไงเขาบอกว่าเอา้าแล้วก็มองส่วนกายเขาดีส่วนใจจิตใจก็ดีสิมันก็เป็นประโยชน์กับเรานี่เราได้ประโยชน์เยอะแยะเหมือนเราเดินทางไปไปเจอน้ําก่อนน้ําในบึงเนี่ยมันมีจอกแหนะเต็มเลหมดเลยทำไงแต่เราหิวอะ่ะหิวน้ํา เอาคุณก็เอามือแหวกจอกแหนออกสิแล้วก็ใช้มือกรอบกินเยอะแล้วก็อิ่มหนำเลิมลานแล้วก็เดินทางได้ปลอดภัเออคนบางคนก็มีพฤติกรรมทางทางทางวาจาไม่ดีจัง ก, กายทางใจก็ดีก็เอาส่วนประโยชน์ตรงนั้นให้มเป็นประโยชน์แก่เราสิแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็เหมือนคนกินน้เลแต่คนบางคนนี่ยมีพฤติกรรมทางกายก็ไม่ดีวาจาก็ไม่ดีอยางนั้นเถอ แต่พฤติกรรมทางใจนี่เขาดีที่มันเห็นยากไหมน้อยนิดเดินนะเออเขาอาจจะเป็นค น, นมีเมตตามีกรุณา ม, มีสภาพจิตใจดีมันก็ยิ่งแต่กายกรรมพฤติกรรมเขไม่ดีนะเออเราก็เอาประโยชน์เขาสิแต่การคิดว่าเขาก็ยังมีจิตใจดีก็อาจจะดีต่อคนนั้นดีแต่คนนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เรา เ, าเห็นบ้างเล็กๆ น, น้อยๆก็เอาส่วนนั้นมาเป็นประโยชน์เหมือนเราเดินไปเดินทางเนี่ยสมัยโบราณมันจะมีอย่างงี้ เวลาอัวมันเดินหูือควายเดินเนี่ยเขาเรียกน้ําปากควายปากวัวมันอยู่ในรอยเท้าวัวเวลาเวลาวัวเดินเดินไปมีรอยเท้าอยู่เวลาฝนตกมามันจะมีน้ําขังอยู่นิดเดียวแต่คนเลาเร า, เราอ่องหิวน้ำมากเวลาเดินทางไกลทำํำยังไงหิวน้ํามากใช่ไหมทาไงดีถ้าจะมือไปกอบ ไ, ไม่ได้ไม่คู้นบนแหละทำงานดีต้องการได้ประโยชน์อยากจะ ก, ก, กินน้ํำตรงนั้น ค่ล้มตัวลงนอนแล้วก็ใช้ใชปากเข้าไปจ่อกับพื้นจ่อกับไอ้ร อ, อยๆปักวัวแล้วก็ค่อยดูดกินนี่ได้ประโยชน์เราแล้วแล้วเราก็เดินทางได้ปลอดภัยดงนั้นคนบางคนอาจจะมีด้านจิตใจที่เราเห็นได้ยากแต่มันต้องมีนันต้องมีแน่นอนแล้วก็ประโยชน์จากเขาสิจากการที่กินเหมือนน้นํามีรอยเท้าวัวรอยเท้าแล้วก็ปลอดภัยได้ นี่วิธีคิดเอ้าถ้าคนบางคนเนี่ยเขามีทางด้านพฤติกรรมทางกายก็แย่มากพฤติกรรมทางวาจาก็แย่มากพฤติกรรมทางใจก็แย่มากๆเลยไม่มีส่วนดีเลยเลยจะทํำยังไงเขาบอกอุบมาเหมือนเราเข้าไปในหมู่บ้านที่ไกลๆเราไปเห็นคนคนหนึ่งมันป่วยหนักเลยแบบไม่มีหมอเป็นโรคร้าย แล้วก็หนทางไปรักษาไปแย่ไม่มีใครช่วยเหลือเลยก็ขาดตายด้วยส่วนเดียวเราทำไงพ้ะเต้เด็ดตั้งกรุณาเท่านะั้นเองคนแบบเนี้ยคนที่มีพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจที่แย่แยๆหน่ยตั้งกรุณาว่าเนี่ยโอ้ยเนี่ยขอใหญ่ขอใหญ่ให้เขาตายเร็วเลยถ้าก็ตายเร็วก็ ต, วตกนระกตายเลยเนะี่ยเขจะลําบากมากเหมือนกันเหมือนเราไปเจอคนที่ ป่วยหนักๆแล้วบอกขอให้เขาได้เจอหมอดีๆเธอขอให้เขาเจอยาดีๆเธอขอให้เขาได้เจอเพื่อนคอยดูแลสุขภาพเขาหน่อยเธอขอให้เขาปลอดภัยเธอนี่เหมือนกันถ้าไปเจอคนแ ย, ย่หมดเลยนะทุกส่วนเลยไม่มีอะไรดีเลยนะเนี่ยยอมแบงนก็ตั้งกัลนาณ์เลขอให้เขาจงจงพ้นจากอายกรรมที่ชั่วร้ายวิจิกรรมที่ชั่วร้ายมโนกรรมที่ชั่วร้าย ขอให้เขาพ้นจากกายย่ทุจริตวัีทุจริตมโนทุจริตขอให้เขาพ้นจากมิฉาทิฏฐิขอให้เขาได้แสงสว่างเพื่อขอให้เขาอย่าได้ไปตกละกรรมลำบากในอบายทุกข์ทีวินิบัตในโกเลยขอให้เขาอย่าอย่าได้เดือดร้อนในอัตภาพนี้แลยในอัตภาพถัดไปอีกเลยทําได้ขนาดคนนี้ยังแบบมีส่วดียังคําลําบากยังไงก็ประมาณนี้ไงเห็นนี่ยัง อุปมาแบบนี้เห็นเร่าเห็นมุมมุมเห็นวิธีคิดไหมผพ้ทีเจ้าสอนวิธีคิดแบบนี้ให้เราคิดแบบนี้ให้มานาสิกานอย่างนี้ให้สายใจอย่างนี้เห็นไหมถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บโปร่งโล่งเลยไห้อิสสบายเลยไม่ต้องพูดถึงคนที่มีทั้งกายกรรมก็เรียบร้อยวัจีกรรมก็เรียบร้อยมโนกรรมก็เรียบร้อยคิดคิดมุมไหนก็สะปลอดโปร่งโล่งเบาเงี้ยนเห็นไหมว่าคนที่เขา ขนาดคนที่ก็มีจุดหน้าตําหนีทุกส่วนเรายังสามารถเอาประโยชน์นี่ก็เรียกว่าเอาประโยชน์ได้ทุกสถานการณ์สามารถคิดให้ได้ประโยชน์คิดให้ได้กุศลนี่เขาฉลาดคิดคิดอย่างฉลาดคิดอย่างมีวิธีการแม้ถ้าถ้ายอมแหวนคิดได้อย่างนี้ทั้งหมดไปอยู่ในสถานการณ์ไหนยอมแหวนจะตวัวรอดเป็นคนเอาประโยชน์จากสถานการณ์นั้นได้ เอาประโยชน์จากแม้เห็นคนทําชั่วทางกายก็เอาประโยชน์ได้เห็นคนทําชั่วทางวาจาก็ประโยชน์ได้ชั่วทั้งกายทั้งวาจาแต่มีดีทางใจนิดเดียวก็เอาประโยชน์ได้ชั่วหมดทุกส่วนเลยทั้งกายกรรมวจีกรรมวโนกรรมนี่เป็นคนเห็นผิดด้วยก็ยังเอาประโยชน์จากการที่ไปเห็นคนประเภบนี้ด้วยไม่ต้องกล่าวถึงการที่ไปอยู่กับคนที่เข้าไปเพื่นดีทุกส่วนเลยนี่ก็เรียกว่าเป็นคนปลอดภัยมากคนที่พัฒนาปัญญาจนสามารถ เข้าไปถึงมองอะไรเนี่ยสามารถเอาประโยชน์ดได้เหมือนเหมือนคนบางคนสถานการณ์ดีเศรษฐกิจขาลงก็เอาประโยชน์ได้ได้ประโยชน์เศรษฐกิจขาขึ้นก็ได้ประโยชน์บ้านเมืองที่เกิดวิกฤตก็ได้ประโยชน์บ้านเมืองที่อุดมสมบูรณ์ก็ได้ประโยชน์เอาประโยชน์จากสิ่งตรงนั้นเลยเพ่อา <c oughs> เป็นคนชามีเหมือนกันในพระศาสนาพระเจ้าก็บอกว่าภิกษุพอดีอุบาสก บ, บาสิกาก็ดีที่ฉลาด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคนสุจริตหรือทุจริตก็ได้ประโยชน์เอาประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์ทางด้านศรัทธาในพรนาชนะไตรัยไม่เคยเสื่อมถอยประโยชน์จากความเพียรอาหารกล้วกล้าเป็นวีระบุรุษวีระสตรีกล้าหารฝ่าฟันปัญหาและภะศปสรรคโดยไม่ท้อแล้วก็เอาประโยชน์จากการได้สติมีสติในการที่จะดึงข้อมูลนะั้น เป็นตัวสติเนี่ยเป็นตัวสาคัญมากสติมีตัวดึงข้อมูลสามารถดึงมาดึงไปได้หมดยกตัวอย่างเช่นสามารถดึงข้อมูลในอดีตที่มันผ่านมาตั้งนานข้อมูลดีๆทั้งหลายสามารถดึงให้มาปัญญาฟันวิจัยแย่ๆก็ได้หรืออย่างกรณีแบบเนี้ยพอฟังเรื่องราวต่างๆ ท, ท, ที่เป็นประโยชน์ปุ๊บสติก็ล็อก อารมณ์นั้นไว้เรื่องราวนั้นไว้ไม่ให้หลุดหายไปจากใจสติก็ดึงข้อมูลดีๆทั้งหลายดึงให้จิตใจเขาจะเองเกิดความชื่นช่ำเบิกบานของใจแต่สติไม่ให้ไม่ข้อมูลนั้นไม่ให้อารมณ์นั้นไม่ให้เรื่องราวนั้นมันผ่านไปเรื่องดีๆทั้งหลายก็ดึงมาให้จิตเนี่ยได้รับรู้ให้ปัญญาได้ฟันวิจัยละเรียะๆนี่สติ <c oughs> ใช่ไหมหรือว่าข้อมูลใดๆก็แล้วแต่ที่เก็บไว้ในความสรงจำ สิ่งดีๆทั้งหลายเช่นสิ่งที่เราเคยกระทําไว้ทั้งหมดเคยบูรณวัดเคยดูแลพระสงฆ์เคยดูแลให้คนไปโรงพยาบาลดูแลคนงานเรื่องดีๆทั้งหลายเหล่านี้ยอูย้มันเก็บไว้หมดเลยสติก็ดึงข้อมูลดึงขึ้นมาดึงจากสัญญาที่ทรงจำไว้ดึงมาให้ให้ปัญญาตรวจสอบวิจัยแยกแยๆดึงมาบ่อยๆดึงมาบ่อยๆบ่ยบยๆนะ จิตก็เบิ่อบาเนี่ยนี่ก็เรียกว่าสตินี่โว้มีหน้าที่ดึงดึงดึงข้อมูลในอดีตที่เราทําดีทั้งหลายดึงมาหมดเลยดึงดึ ง, ด, งดึงมาตรวจสอบบ่อยเหมือนอะไรเหมือนเหมือนขุนคลังขุนคลังของพระราชาพระตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บขุนคลังก็พระราชาเขาถวายรายงานพระราชาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้มี ในพระคลังในท้องพระคลังมีทองเท่านี้มีเงินเท่านี้มีกาหารณะเท่านี้มีทรัพย์สมบัติเท่านี้มีที่ดินเท่านี้มีไล่นาด้วยนี่รายงานประหาชันี่นก็เหมือนกันสติก็ไปดึงข้อมู ล, ลว่าอุย้ยเราได้ทําความดีอะไรไว้บ้างสติดึงดึงข้อมูลมารายงานใครรายงานปัญญาในปัญญาตรวจสอบว่เ า, เาเนี่ยเพราะเอเนี่ยข้าพเจ้าเป็นอุบาสิกาของพระรัตนตรัยของพระทเจ้าเนี่ย อยเราได้ทําความดีอะไรถวายเป็นพุทธบูชาพยโยแหวนก็ดึงข้อมูลเลยดึงข้อมูลมาตรวจสอบว่าโอ้ลึกลึกพอจิตเป็นสมาธิปุ๊บตั้งมั่นก็ดึงดึงมาให้เป็นอย่าโอ้เราเคยดูแลแม้แต่คนใช้ให้เขาได้ดูแลได้มีหมออย่างดีรักษาหมออย่างดีโอ้ยเนี่ยเราได้ทําหน้าที่ของความเป็นนายจ้างที่ดีแล้วเนาะเนี่ยปุ๊บ เราได้ได้ส่งเสียคนนั้นให้เรียนหนังสือให้โดยเขาเกิดมีวิทยาการมีความรู้มีข้อมูลเราได้บูรณะวัดวาอารามและได้สร้างอุโบสถและได้สร้างพระตัวรูปเราได้สร้างพร ะ, ร เ, รพระเจดีย์โอ้โหได้ดึงข้อมูลทั้เลยรายงานโอ้โหเนี่ยเนี่ยตรวจสอบบ่อยๆตรวจสอบเหมือนเหมือนขุนคลังของมาลาชาตื่นเช้ามารายงานมาลาชาทุกวัน รายงานเวลาจาทุกวันโอ้โเนี่ยอะไรแบบนีสติเนี่ยต้องต้องมีความตั้งใจที่จะให้เขาทำงานถ้าไม่กระตุ้นเขาให้ไปทำงานเขาไม่ทาต้องกระตุ้นเขาให้ไปดึงข้อมูลมาว่าเขาทำอะไรมาบ้างให้ดึงข้อมูลจากที่เคยทานมาทั้งหมดดึงเรื่องดีๆมาโอ้โหยเยอะเลย ดีไหมเราเนี่ยนี่ก็ดึ ง, งข้อมูลเริ่มดึง <laughs> <laughs> นี่ก็ใช้สติเป็นต้องตั้งใจที่จะดึงข้อมูลมาโอ้บางทีมันทับถมมานานจา๊ะชอบแ ต, แต่จำลเลยของไม่ดีของชีวมันไม่ไปชอบหรอกเพียงแต่ ว, วันเราไปตั้งใจที่ไปจําเรื่องนั้นเพราะว่ามันตื่นเต้นไอ้เรื่องไม่ดีนะเนี่ยพอราลึกแล้วมันตื่นเต้น มันตื่นเต้นไปในทางไม่ดีเข้าใจอย่างมันตื่นเต้นพอระลึกโอ้ยตื่นเต้นมากเรื่องไม่ดีตื่นเต้นมันโกรธบ้างมันอะไรบ้างไหมใช่ไหมใช่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ให้ตื่นเต้นในเรื่องดีพอคิดเรื่องดีๆมันเซงเบื่ออะไรเงี้ยอย่าไปคิดอึ่งเงี้ยเรื่นตื่นเต้นอย่างไรเราบางคนเนี่ยเช่นโดนด่าโดนว่าโดนโกหกนี่แม่ชอบจังเลย คนคนนี้เขาไม่เอาบัวรุดไม่ดีกับเราเนี่ยมันตื่เต้นคนบางคนชอบเองชอบไปดึงข้อมูลที่มันไม่ดีทีนี้ถ้าจะเราดึงข้อมูลดีไปแล้วถ้าเราดึงข้อมูลไม่ดีก็ไม่เป็นไรแต่จิตเราดีเราเอาประโยชน์จากมันอยู่ดีเหรอเห็นมสมุติเห็นไประ ล, ลึกถึงยองดแรงปุ๊บที่เขมานั่งด้วยว่าออ ด้านกายกรรมยมแหวนทำดีอะไรวิจิกรรมทั้งด้านกระบวนการความคิดโมยมแหวนมีส่วนทั้งดีและไม่ดีส่วนดีก็คือคิดช่วยเหลือคนอื่นส่วนไม่ดีก็คือเป็นมนเครียดง่ายจนวันนี้แนละ้วเออเนี่ยฉันก็เริ่มมองเห็นะ่อ๋อนี่ส่วนไม่ดีคือเครียดคือโกรธมักเครียดอะไรไม่ได้ดั่งใจก็จะโกรธหงุดหงิดอะเนี้ยนะห น, น, น้านิโวะคิ้วขมวด <c oughs> แล้วนาเขา้าวนายขาก็พูดออกมาเล้วจังแล้วก็เลยอ๋อเนี่ยแต่ส่วนดีมีโอ้โหเยอะมีส่วนไม่ดีแล้วเขาบอกอ๋อนามาเขเอาไปอยู่ก็เหมือนอนามาเห็นเห็นผ้าส่วนนึ่งมันขาดนามาก็ฉีกทิ้งเอาส่วนที่เป็นประโยชน์ไอส่วนนี้มันก็เออเป็นกรณีศึกษาว่าอผ้าผืนมันผ่าจุดนี้มันขาดแล้วไม่สามารถซ่อมแซมได้ก็ทิ้งไปก็ไม่ไปใส่ใจใช่ไห ม, ไหมก็ใส่ใจส่วนที่ดีที่เป็นประโยชน์ นี่ยอามาก็ได้ประโยชน์อามาบอ่านอามาบอาอุ้ไม่ได้แล้วทําไมต้องไปโกรดทําไมต้องไปหงดหงิดทําไมต้องไปอ่าส่วนดีๆทําไมไม่ดูเนี่ยมองมองให้ได้ประโยชน์ตรงนี้คือเห็งไหมกระบวนการตรงนี้ก็เรียกฝึกสตินั้นสติมดึงมาได้แล้วก็ถ้าอารมณ์นั้นคําว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องมันมันเพิ่งผ่านมันกําลังอยู่ในที่นั้น <c oughs> ก็บล็อกอารมณ์นั้นไว้ จับอารมณ์นั้นไว้ไม่ให้อารมณ์นั้นน่ะหายไปจากใจอันนี้จึงฉลาดในะการใช้เหมือนเหมือนกรณนีนั่งสมาธินั่งสมาธิเนี่ยอารมณ์ที่ปรากฏเฉพาะหนะ้าเลยลมหายใจเข้าออกใชในขณะที่อารมณ์หายใจเข้าออกปุ๊บเนี่ยมันจะหลุดลอยหายไปเราก็ไม่ให้มันหลุดลอยเพราะจิตเนี่ยเหมือนลิงนะลิงเนี่ยมันเดินโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาตลอดใช่ไหม ลิงลิงตัวนี้โดดไปโดดมาโดดไปโดดมาตลอดมัไม่อยู่นิ่งหรอกจิตมนุษย์เนี่ยวิธีการทำยังไงให้ลิงตัวนี้มันเชื่อมไม่กระโดดก็ผูกมันไว้ดูเราเชื่อผูกไว้เชื่อผูกไว้ผูกไว้ที่ไหนผูกไว้กันหลักถ้าผูกไว้กันหลักพุกลิงมันก็ยังกระโดดอยู่ไหมแต่มันกระโดดเนี่ยขีดจํากัดมันไม่กระโดดไปไกลนะครับมันแต่ก่อนมันโดดไปทั่วใช่ไหม พอเชือกผูกไว้ไว้กระหลักปุ๊บมันก็โดดได้ในในจังหวะที่เชือกเชือกผูกมันโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วมันเหนื่อยไหมถ้าพักเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะว่าเราไม่เราไม่เราไม่แก้เชือกมันนี่แล้วถ้มันเหนื่อยก็เหนื่อยเสร็จมันก็มามหมอบอยู่ตรงไหนหมอบตรงหลักหนึ่งนี่ก็เหมือนกันวิธีการในจิตที่มันสะสายใช่ไหมสะสายไปสะสายมาแล้วก็ผูกไว้กระลง ใช้สติผูกจิตว่าจิตมันลิงเอาไว้กับลมให้ดูลมเข้าลมออกไปมันใหม่ก็โดดไปดอดมาโดดไปโดดมาแล้วก็ดึงไว้กับลมดึงไว้กับลมดึงไว้กับลมดึงไว้กับลมสภาพมันนะเข้านะเข้าพราะเหนื่อยเหนื่อยวิ่งแล้วมันก็เริ่มเริ่มอยู่กับลมหรื่องที่เข้าอมาเหมือนวัวเหมือนวัวป่าวัวป่าเอาเชื่อกไปปูกวัวป่าไว้โอวมันวิ่งวิ่งใหญ่ใหม่มันดิ้นเลยวัวตัวนี้ นะเข้านะเข้าวนไปวนมาอยู่กันหลักเลยตึงอยู่กัะหลักนั่แหละเหมือ น, นกันจิตของเราก็เหมือนวัววัวป่าที่ไม่ได้ฝึกเหมือนกระลิงไม่อยู่ไม่อยู่น่งแต่พอใช้สติกำกับจิตไว้ให้กลับอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างยกตัวอย่างเช่นในขณะที่ฟังมีเรื่องมากมายเสียงอะไรเยอะ เสียงแอร์บ้างเสียงนกร้องบ้างเสียงคนอื่นเยะแต่ใจเราไม่ไปเห็นไหมเรามาหน้าสิกาในการที่จะฟังเสียงที่กําลังสนานานกับครับเองสติใช้สตินั่นเองกํากับจิตไว้ให้อยู่กับเรื่องนี้ผ่านไว้ทางทาวารตาบ้างทาวารหูบ้างให้ลงสู่ใจแล้วก็ฟังแล้วก็อะไรเล้ออยู่กับเรื่องนี้เนี่ยนี่คือการใช้สติเขาเรียกว่าผูกหรือกํากับจิตไว้ ให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นานแล้วก็ตามที่เราต้องการได้แค่นี้เองสมาธิมีแค่นี้บางทีเราต้องการไปฝึกอยู่กับลมไปฝึกอยู่กับอะไรก็ว่าไปแต่ว่าวัตถุประสงค์ที่เราฝึกเพื่อเพื่อให้จิตนมีมีความสุขมีพลังและเพื่ออะไรต่อเพื่อ เ, เอาฐานที่จิตมีพลังและมีสมาธิเป็นฐานปฏิบัติการของปัญญาเพื่อเข้าไปรู้อะไร เมื่อมีปัญญาเข้ามาตั้งท่านอยู่บนฐานของจิตที่มีพลังแล้ว<ม>ปัญญาประเภทนั้นก็จะสามารถเข้าไปรู้เจาะวิจัยแยกแยะสาภาพทั้งหลายหรือเหตุหรือสถานกา ร, ร, ราทั้งหลายหรือธรรมะทั้งหลายตามความเป็นจริงได้เลยนะครับถ้เข้ า, เ, ขาเราก็จะได้เข้าใจโลกและชีวิตอย่างนี้เป็นต้นเน่ยสตินี่ดึงดึงสิ่งที่ปรากฏเฉพาะนะหรือสติอีกอย่างหนึ่งก็คือ สติหนึ่งเขาสามารถกําหนดพื้นที่ได้กําหนดยังไงกําหนดด้วยถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับใครแล้วกุศลเกิดหรืออกุศลเกิดกบุญเกิดหรือบาปเกิดมีสติกํากับไปหน้าที่ไหนบุญเกิดหรือบาปเกิดกุศลเกิดหรืออกุศลเกิดไป ท, ที่ที่ตรงไหนได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์นี่เขาเรียกใช้สติเป็นประดุจดังปรินายกแก้ว คือดิปรินายกแก้วเนี่ยเขาเป็นเป็นปรินายกแก้วเนี่ยทําการแทนพระราชาคนนี้จะฉลาดมากเก่งมากสามารถที่จะรู้เลยว่าในบริเวณเป็นสิบสิบกิโลยี่สิบกิโลเพราะว่าคนที่มาหาพระราชาหรือเกี่ยวข้องกับพระราชาใครจะเป็นคุณกับพระราชาใครที่จะเป็นโทษกับพระราชา และพระราชาควรเสด็จไปหาคนไหนควรไม่เสด็จไปหาคนไหนควรจะไปเสด็จในพื้นที่ใดและไม่พื้นที่ใดปริญนายกแก้ว น, น, นิชลาวแม้เั่นใดคนที่ฝึกสติจนได้ขนาดว่าจนกลายเป็นเหมือนปรินายกแก้วสติจะทำหน้าที่บอกว่าเราควรไปเกี่ยวข้องตรงไหนที่จะทำให้กุศลมอนเดินยุนจเจริญขึ้นเราได้ประโยชน์จากการทั้งกายกรรม ภาวนาก็ได้กายภาวนาก็ได้ศีลภาวนาก็ได้จิตภาวนาก็ได้ปัญญาภาวนาก็ได้รู้ได้ภาวนาสี่เพิ่มเราไปไปไหนที่ไหนมันจะได้ประโยชน์มากประโยชน์คือศรัทธาก็เพิ่มขึ้นประโยชน์คือศีลก็เพิ่มขึ้นประโยชน์คือข้อมูลก็เพิ่มขึ้นประโยชน์คือจาระคือการสละกิเลสก็เพิ่มขึ้นประโยชน์คือตัญญาความรู้ความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นเนี่ยสติตัวนี้จะเป็นตัว เป็นตัวกําหนดแล้วจะกําหนดได้ทุกทิศทางเลยเหมือนพระเนี่ยว่าพระเนี่ยเขาฝึกกันถึงขนาดไหนรูกนี่ยกเลมก็คืว่าถ้าจะหันซ้ายหันไปทางเนี้ยท่านคิดก่อนฝึกได้จนขนาดนั้นนะว่าถ้าหันไปทางทิศซ้ายมือนี้แล้วเนี่ยบาปอากุศลธรรมันชั่วร้ายมันจะไหลลงสู่ใจไหมถ้ามันจะไหลท่นไม่ไม่ให้ทแต่ถ้าท่านมาราการมั่นใจว่า หันไปทางทิศซ้ายนี้แล้วเนี่ยทางซ้ายมือได้แล้วเนี่ยบาปอคติและชั่วร้ายจะไม่สามารถราดลดจิตใจท่านได้และท่านสามารถที่จะเจริญศีลสมาธิปัญญาจากการดูไปทางซ้ายมือได้ท่านนันเลยข <c oughs> นา น, <c oughs> นี่เลว่าสติมีมีกําลังไหมมีกําลังพา้าฝึกได้ขนาดนี้หรือถ้าหากไปเกี่ยวข้องกับใครเดี๋ยไปสนทนากับใครหรื อ, อยังจะมาที่เนี่ย ถ้าก็ต้องกาหนดใช่ไหมว่าอะไรต้องได้กุศลถ้ามาอะไรท่านก็กำหนดอย่างเหมือนอยู่ที่คอนโดอยู่อะไรต่างเนี่ยอ้าวมันได้กุศลนีเพรเปิดอามาก็มองคอนโดของโยมเลยมองมองเห็นต้นเออจามจุรีเห็นพื้นที่เห็นสึกรามบ้านชอบมันสว่างอือพอนเปิดแล้วนอู้มได้สมาธิเรื่องฝึกสมาธิดีนึกวโอ้โหอยเห็นไหมว่า เราได้น้อยก่อนที่จะทําจิตที่เป็นสมาธิก็ระลึกดอกไม้ของหอมของสวยงามตอนเช้านี้หรือตอนกลางคืนมองไปเห็นไฟแสงสว่างพอปิดไฟ น, นพะพอเปิดม่านออกมามันจะเห็นแสงสว่างออกมาก็นั่งนึกว่าก่อนที่จะฝึกก่อนที่จ ะ, จะเจริญสมาธิมาเป็นนึกดูชาวพุทธเจ้าก่อนเราไม่มีดอกไม้ในมือ แต่เราจะเอาใจของเราในประมวลดอกไม้ทั้งหลายแสงสว่างทั้งหลายที่เห็นและที่ไม่เห็นที่ใจสามารถประมวลได้น้องถวายเป็นพุทธบูชาพอใจเกิดความปลาโมดที่จีเ อ, อิบอิ่มเบ็ดเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็กำหนดลมหาใจโอ้ได้กรรมฐ า, านเลยเนะเนี่ยนี่เรียกมองไปทางทิศไหนแล้วก็เอาประโยชน์จากทิศนั้นได้ถ้าเสียประโยชน์ก็คือมองไปพบ โอ้เห็นแสงสว่างชอบยินดีเพลิดเพลินตำหนัดใช่ไหมหรือขัดเครืองหรือลุ่มหลงหรือได้มโนทุจริตได้บาปอคติลกรรมอันชั่วร้ายอันนี้อันนี้เสียประโยชน์พระจะไม่ยอมเสียประโยชน์ตรงนั้นเ้พราะมันทาลายใจตัวเองเบียดเบียนตัวเองนีไหมเบียดเบียนจะไม่ตัวเองประสบความทุกข์ความเดือดร้อนพราก็จะต้องอนาสิกาไหมเอาประโยชน์ ไม่ว่าจะมองไปทางทิศไหนเกี่ยวข้องอะไรก็เอาประโยชน์เอาประโยชน์จากสิ่งนั้นแล้วก็ได้สับความสมบูรว์มีจิต เ, เพราะจิตเป็นสมาธิถึงเวลาจะนอนเวลาหนุนพุมนาสิกานุถ้าถ้าเราปล่อยให้ความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินความเครียดความโกรธความมัวเมารุ่มหลงกุ้มรุมจิตแ ล, ล้วเรานอนถ้าตายลงในขณะนี้ล้วก็มีอบายทุกขติวินิบาตนลก ที่ไปใช่ไหมพุ่งนี้กัแบบชาติหน้ามันอันเดียวกันนี่มัก็อันเดียวกันเลยนั้นเราหลับนี่คือปัจจุบันเนี้ยแต่ถ้าเรานอนอย่างคนมีกิเลสนอนอย่างคนมีความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินนอนอย่างคนหลงนอนอย่างคนมัวเมานอนอย่างคนบ้ามาเราไม่ใจเราขาดแล้วก็สวยสวยไหมล่ะก็แย่สิแต่เนี้ยทาไมเราต้องมาเบียดเบียนตัวเองทําลายตัวเองขนาดนะั้น เนี่ยพาท่านเคยคิดแบบ น, น, นี้เวลาจะนอนพบ ก, กรรมนักจิการจิตที่เป็นไดกกุศลแล้วก็หลับไปจากกุศลแม่ทำแบบนี้เม่มาดามอเปิดต้องจริงนะมันน่ากลัวนะามาเห็นพระนอนตายกันหลายองค์หรือโยมเนี่ยนอนตายกันหลายคนเลยนอนแบบไม่กำหนดว่าขาดทุนเลย เสียหายเลยรู้สึกอีกทีเป็นสันรกบ้างเป็นสัน德拉ฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรากายบ้างเป็นอมนุษย์บาใบาบอดลยุ่งเหลือเนี่ยวันนี้ยังยังยั ง, ย, งยังเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติเต็มไปหมดเลยเอออย่างยกตัวอย่างเช่นตโตเทยะเศรษฐีเป็นคนจะ น, นีใช่ไหมตหนิแล้วก็ ตำหนิพระพุทธเจ้าตำหนิสาวกพุทธเจ้าแล้วก็ตำหนิคนให้ทานรักษาสิ้คือคนโง่ไม่ฉลาดเป็มีทฤษฎีว่าหนึ่งถือยาหยอดตาเป็นประมาณสองทฤษฎีปวกกำหลังแต่ทฤษฎียาหยอดตาคือยาหยอดตาหยอดวรยดมันยังหมดได้ถ้ามีเงินเนี่ยใช้ไม่นิดหน่อยมันก็ต้องหมดแต่การเก็บจะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนปลวก แล้วปลวกมันทำรังเนี่ยมันเก็บวันละเล็กเล็น้อยเล็กเน้อยมันก็กลายเป็นภูเขาขึ้นมาได้ฉะนั้นต้องเก็บรับไว้เยอะๆในคนให้ทานคือคนโง่ม่ฉลาดในคนมารับทานคือคนฉลาดเนี่ยวิธีคิดเนี่ยต้องหนีแล้วก็สอนลูกหลานอบ่างนี้โกรธนอนด้วยความโกรธความเครียดกลัวกลัวว่าซับจะกลัวว่าคนในบ้านจะซับไปให้ก็หนีต่อมาตายปุ๊บ ไปเกิดเป็นสุนักในบ้านย่อมเลยสินะ น, นี่เป็นเศรษฐีใหญ่นะมีวันนึงพระเจ้ามาบินระบะพระเจ้าเ อ, อพอใกล้อาอารมุนขึ้น อ, อลูกชายเข้าไปในขายพยานคือพระเจ้าพจิาพจารณาว่าลูกชายจะต้องได้บรรลุธรรมแต่พ่อตกนรกไปถ้าเราไป อ, อสุ น, นัขตัวนี้ต้องจําเราได้พราะมันเห่าเราทุกเดีมันคยตกำหนีเราอยู่เรื่อย พุทธยายก็เลยไปยืนหน้าบ้านอสุ น, สนัขตัวนี้โตแล้วตอนนั้นลูกชายรักมากว่าผูกพันกันเคยเป็นลูกเป็นพ่อกันรักมากใกล้เคี่ยวข้อกงกันเลยเดี๋ยวทีนี้เขาวิ่งพอเห็นพุทธิย่ายมาเขาก็วิ่งไปเห่าตอนนั้นเพราะว่าลูกชายไม่อยู่เหาเหาะเหาะคืไปด่า น, นั่นเองเพราะกลัวว่า เดี๋ยวคนในบ้านอะไรไปใส่ต้องรีบเผาให้ไปซิพุทธเจ้าก็ยืนยืนพุทธเจ้ารู้รู้มียานอย่างรู้พุทธเจ้ารู้คติรู้จุตติปฏิสนธิรู้สัพกพุทธเจ้าก็แย้มพระโอรสแล้วก็บอกว่าดูก่อนโตเทยยเสฐีตอนเป็นคาวาตอนเป็นมนุษย์ก็หวงแม้เป็นสุนัขยังหวงอีกหรือ พอพุทธเจ้าพูดถึงอยงนีงสุนัขตัวนี้มันรู้เลยว่าพุทธเจ้ารู้จักเขาเขาอายไหมอายมากจากเขาเป็นเศรษฐีใหญ่แล้วเขาเขาเป็นได้แค่สุนัขหางเขาก็ตกเขาก็ร้องนิ่งๆมันวิ่งวิ่งเลยแวง้งร้องไปแล้วเป็นนอนอยู่ตรงที่ที่เตาถา่านไม่ยอมรู้เขาเสียใจเขาแล้วพุทธเจ้าก็บอกว่ากําหนดไปว่าขอให้ใครอย่าสามารถอุ้มสุนัขนี้ได้นอกจากลูกชายนี้น พระเจาเดินกลับพระเชตวันพอลูกชายกลับมาก็ก็เอ๊ะทาไมสุนัขตัวนี้ไม่วิ่งมาคนใช้ก็บอกว่าท่านพระสัมมาโคโดมมาแล้วมาบอกว่าสุนัขตัวนี้เป็นพ่อท่านโหโกรธมากเขาเป็นพราหม์ใช่ไหมเขาเป็นพราหม์เป็นฮินดูเนี่ยตายแล้วต้องเป็นพรหมเขาถือติอย่างนี้ ตัวเขาต้องเป็นพรมตระกูลเขาต้องเป็นพรมนี่จะเป็นสุนัขไม่ได้เขาก็วิ่งเลยเขาต้องการไปตําหนิพระเจ้าว่าพอเขาเป็นสุนัขเป็นไหมไม่เนี่ยพรเจ้าก็บอกว่าต้องการพิสูจน์ไหมต้องการคือกลับไปไปอุ้มสุนัขตัวนี้แล้วเอาเขาอาบนะ้ําเช็ดตัวให้ดีให้เอาไปนอนด้วยแล้วก็ รูปสีสันเขาให้เขานอนเนี่ยพอเขานอนคพิ่มกำลังเริ่มเนี่ยให้เอามือรูปสีสันแล้วถามว่าให้เรียกเขาว่าพ่อพ่ออหมวกทองคาพ่อไปฝังไว้ที่ไหนรองเท้าทองคาไปฝังไว้ที่ไหนเสื้อเกะว่ทองคาแล้วเอาไม้เท้าเสื้อเกาะหมวกเป็นต้นนี้ถามจะได้รู้ความจริงเขาก็ทําอย่างนั้น ไอ้ชนะตัวนี้โอยมิวเบคุณลูกชายก็ไดข้ของที่หายไปทั้งหมดชนัะตัวนี้ก็ตรอมใจตลอมใจเพราะว่าลูกก็รู้แล้วว่าตจะนี้เป็นได้แค่สินะใจขาด ต, ตายไปลงอเวตอนี้เป็นสัตว์นรกนะลงอเวจีอยู่โอ้โหตกใจเลยลูกชายโอ้โหคนที่รู้กระแสความคิดว่าจุตติตายแล้วเกิดเป็นอะไร น, ะนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วพูดถึง ผู้ที่จ้านี้ไม่ใช่บุคคลธรรมดาเนี้ยแล้วทำไมถึงตายเราไปตกลงเศยษฐีกันนะโกรธโทมมันนะตายได้โทรศัพท์เนี่ยใหม่ๆนี่ตายทัองเกติดูนะครั้งแรกเนี่ยตายได้โมหะคือหลงนีัซไจะเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อมาน้อยใจโกรธเสียใจมากที่ที่คนคนอื่นรู้ว่าตนเองเนี่ย ไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่ไปได้เป็นได้แค่สุดนะโกโรธก็ลงอาเวดีลงนลั้นรกมันอยู่ที่ว่าอะไรตรงนี้วัดกันเนี่ยพวกเรานี่เราจะไปได้ใกล้ตายเนี่ยกิเลสตัวไหนมีกําลังถ้าโทสา ม, มีกําลังก็สัตยนรกโมหามีกำลังก็สัตยไรฉานโลภามีกำลังก็เปรตใช่ไหมมันจะไปอย่างเนี้นะถ้าหากุศนมีกำลังที่น้อมไปในมนุษย์มันจะเป็นมนุษย์หากุนศนมีกำลังน้อมไปในเทวภูมิมันเป็นเทวดาใช่ไหมถ้าได้ชานสมาบัติจะเป็นพรหมใช่ไหม ถ้าทำกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วจะเป็นนิพพานยั้ไงล่ะจะหมด ก, กระแสชีวิตเจะหมดการเวียนร่ายตายเกิดหลักการมีแค่เนี้ยแล้วก็เลือกเอาเอาอะไรดีถ้าสมมุติว่าทําบุญทำํำดุสสนมาแต่เกิดไอตอนที่จะไปเนี่ยมันเกิดโอดขึ้นมาก็ก็ก็ถามว่าพระเจ้าประเสริฐที่กคศนจะขอไหมพระเจ้าโศงเนี่ยพระเจ้าสศงมหาราชเนี่ยทํ า, า, าทบุญไม่เยอะไหมเยอะมาก สร้างร ส, สร้างเกดี8์แปดหมื่นสี่พันองค์เนี่ยไอจะตายเนี่ยโมหกินเป็นเปรดเป็นเปรดงูตายเป็นเปรด ง, งูมันไม่แปลกนางมริกาเนี่ยทำกุศลมาเยอะมากแต่ตอนที่จะตายเนี่ยตนเองเพระลึกถึงการทำกรรม ข้อกามีครั้งเดียวตายแล้วไปตกนรกแล้วสิ่งที่เขาทำความอยู่นะทีนี้พอมิพูดต่อคือว่าพระเจ้าปอระเซนที่พระเจ้าอโศกเนี่ยอาศัยลูกชายเป็นพระหลานพอตนเองไปเป็นเปรตงูอยู่มะก็ไปเป็นเปรตไปเป็นงูเหลืองใหญ่ตนเองก็ เห็นในบึงใหญ่บึงใหญ่ก็เลยเอาต้องการกินปลาก็เลยเอาเอาเอาหางตัเองไปพันต้นไม้ใหญ่ต้นึงเอาหัวไปพันต้นไม้ใหญ่ข่อมข่อมบึงใหญ่ก็ไว้แล้วก็แผ่รีดรีดตัวเองให้เป็นแผ่นนี้แล้วก็าตากน้ําวิทยฟุกวิทน้ําวิทน้ําออกจากสาจะไปกินปลาไงกําลังจะกินปลาเนะ พรานมาหินตาเถลาเถลาท่านเป็นบ้าหารท่านรู้พ่อเป็นอย่างนี้แล้วท่านก็ไปไปไปไ ป, ไปหาไปเห็นนาการอย่างนั้นก็ใช้อำนาจลิธิ์ของท่านแล้วก็บอกกระงูดูดีเนี่ยเป็นอุบาสกในภาษาศาสนาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ ไม่กินไม่แต่ทั้งเนื้อ <c oughs> ดูตอนนี้ทําอะไรอยู่สลดใจไหมสรดใจแล้วทาให้ให้ท่านละลื้ท่านก็ละลื้แล้วก็ท่านก็ตอมใจนะแล้วตอนนั้นด้วยการที่ได้ได้ไดลูกชายเป็นอารมณ์ก็จุดติด ต, ตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดา ล, วลูกชายก็เพียรปกตรอนี่เขาไปสุคติได้ก็จะเย้ไหมเนี่ย อันนี้ก็คือกำลังบุญของท่านนี่แหละไปช่วยแต่แต่มันมีโอกาสาพลาดกันได้ตรงนี้ไงจึงเป็นสิ่งว่าทำไมเราต้องระมัดระวังว่าอย่าให้กิเลสมันมีกำลังถ้าเกิดมันไปนโกรธในช่วงที่ใกล้ตายยุ่งเลยนะใช่ไหมอ้ตรงนี้นั่นจะต้องคนก็ต้องพยายามสร้างเหตุปัจจัยให้ได้กัญยาณิพน ท, ที่ดีให้สิ่งแวดล้อมที่ดี ตรงนี่สำคัญคนพม่าเนี่ยเวลาจะตายเกล้จะตายนี่นะเขาจะเออเขาจะเห็นอาการแย่แล้วเนี่ยภาษาโบราณก็ตรีทูดแล้วเนี่ยเขาจะให้นอนอยู่คนเดียวและหันหน้าไปทางวัะเจดีย์แล้วให้มองวัะเจดีย์แล้วลูกหลานก็จะออกอหมดเลย ไม่ให้ใคให้มองค่อยค่ยตายเป็นเขาจะไม่ให้ไปห่วงหลานห่วงลูกให้เราเลือกถึงพระเจดีย์แล้วเลือกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> นั้นพ่อมาเขาจึงสร้างเจดีย์ไว้เยอะดไป บ, นนบ้านไหนบ้านไหนมองออกช่องหน้ า, านจาร์เราเห็นเจดีย์เห็นยอดเจดีย์เห็นยอดเจดีย์เนี่ยเป้าหมายถึงเราให้นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้และของเราก็ต้องสร้างเจดีย์ประจานี่สิเจ้าค <c oughs> ่ะแล้วถึงไหนแล้วเออเจ้าค่ะเจดีย์นาจก็คำอะไ ให้เขาเจรจาเห็นว่าเรียบเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ว่าได้คุยแล้วมีน่าได้คุยแล้วแล้วก็ยนนว่าเดี๋ยวกลับมาอยากเห็นเจะไปภูฐานยัไจะควรกันธอกลับมาที่ไปถึงไปั้นแรกแนนํารนแะนําวาตอนขึ้นทักซังให้ขึ้นแต่เช้าเขาไปทัว <SM> ร <C> ์ คนอื่แล้วก็ไปขอกล้งไม่ใช่คือถ้าเข้าไปเองเนี่แนะให้เริ่มอย่างแกของวองเขาโอเคจะเขียนเพราะว่ามันจะไม่มีคนเลยเพ้าะขึ้นไปตอนสายคนมัน คนเยอะมากเลยเจ้าค่ะมันคนละอารมณ์กันตอนนี้คนไปกันเยอะใช่เค่ะเพราะว่ามันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเขาแล้วก็ถัวนี้ก็ต้องไปแต่ถ้าเราเดินเริ่มเลยนตั้งแต่สักหกโมงคึ่งไม่เกินโมงช้างเนี่ยเราขึ้นไปเนี่ยเราไปถึงคนแรกแบบไม่มีคนแล้วมันคนละมันมันมันดีกว่ากันเยอะจะบอกไปว่าแปนงจะไม่กินยาจะเอาไปใช้ในแบบสแกมม็อกส์กินไปกี่ว่าแล้วกินน้นยังไง ยาเป็นยาเป็นย า, ยาไม่มันเป็นยาเกี่ยวอะไรแต่ว่ามันจะช่วยเรื่องกลับกรับเวลาความสูงนะเจ้าค่ะแต่ว่าไม่เห้นบางคนมันแพ้อย่างอย่างโยมเนี่ยก็แพ้แพ้แล้วก็เจออะไรก็ไม่ไหวแล้วบางคนมันแรมากถึงข น, นาดปวดหัวเจียนก็มี<อ>แล้วแล้วตกลงที่นี่ยังไงอ่ะเจ้าค่ะ เป็นที่ปฏิบัติธรรตมตอนนี้มันได้ยี่สิบห้าไร่ไปเลยของเขาเองอมีอยู่แล้ว<ช>แต่นี้ตรงเนี้ยที่จะท่านจะดีเพราะมันติดอีกด้านหนึ่งแค่ประมาณไร่กว่าๆแค่นั้นเองที่มันติดอีกมุมหนึ่งแค่นั้นเองคือมันตรงนี้มันเป็นเขาเป็นเขาหินเราจะสร้างข้อมเขาหินก็ซื้ออีกไร่หนึ่งเหรอจ้าประมาณนั้นแล้วแล้วแล้วกับโรงเจริญวั ก็เขาเจรจาได้ไปของคนหนึ่งมันมีประมาณสองคนคนหนึ่งได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนหนึ่งเรอคิดเท่าไหร่ไยังไม่ได้ถามนะครับเขาจะเขาเห็นว่าเราอยากได้ก็เล ย, ยจะที่จริงเราไม่ต้องซื้อเขาก็ได้ไประเด็นคือเราไม่อยากให้เขาต้องเสียใจเพราะถ้าเราขึ้นจะดีแล้วเขาทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเขาจะดีใหญ่ใช่ไหม พอถ้าเราขึ้นใจดีปุ๊บเนี่ยเขาทําอะไรมันก็มัน ก, มนก็มันก็ทําไม่ไม่ได้เลยเราก็เลยเห็นใจเขาจะคุยกันฉันก็เลยบอกเขาบอว่ามีอยู่รายหนึ่งที่เขาจะไม่ขายเนี่บอกเขา ต, งตรงๆเลยจริงๆแล้วที่ของเขาไม่ได้อยู่ในส่วนนี้แต่เราต้องการซื้อกันไว้เพื่อต้องการไม่ให้คุณเสียประโยชน์คุณอยากเจริญประโยชนร่วมกันก็เจริญแต่เราไม่อยากคุณต้องมาทุกข์ใจว่าเรามาสร้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะที่ตรงนี้เป็นที่ที่ส่วนของเราอยู่ที่อย่างี้เหร หลงพี่บอกว่าถ้าซ้แล้วเนี่ยอันนี้จะอยู่อยู่ในชื่อของคุณโหลวงเหตุอะไรตัว่ะที่ที่ซจะทำจริงเหรอคอ๋ออยู่ในที่ของก็ของเป็นของของให้ให้ยโยมห น, โนโวงเท่าไั้นอ๋อเด็กผมคือ้ไม่อยากโอนให้มันเป็นของของเพราะจริงๆที่ตรงนี้ก็จะทําเป็นที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วที่ของเขาทั้งยี่สิบห้าไร่เขาสละก วิธีปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแล้วทีนี้เน่ยเวลาอยู่ในชื่อของเขาเนี่ยแอีกต่อไปเร่องวิญญาเราจะได้ที่ตรงนี้จริงๆแล้วมันจะไปนั่นเป็นของคนอื่นไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าจริงๆเมื่อมีเจดีย์ใหญ่แบบเนี้เข้าไปทําอะไรไม่ได้แล้วที่ทั้งหมดตรงนั้นเขาก็ทําเป็นที่ที่กุฏิสงเป็นที่กุฏิสงแล้วก็เป็นศาลาเป็ที่ปฏิบัติธรรมทั้งหมดอยู่แล้ว ถึงแม้ถ้าเราไปใส่เป็นชื่อของวดัดมันกลายเป็นสมบัติของวดัดเท่าไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เผลนเขาจะตั้งเป็นรูปแบบเป็นชมรมเป็นมูนิธิอะไรต่อไปเรื่ am, อยๆมูโยมถามเพาเดี๋ยวนี้ไอ้ดกฎหมายมันมีนวุ่นวายมาก เ, เลยว่าเดี๋ยวมีจดกฎหมายอะไรอะมรดกอะไ ร, ร, ดดะไรแต่อะไรเนี่ย ม, มันมันมันเลยวุ่นวายมากเข้าใจเพราะว่าเพราะว่าจริงๆตรงเนี้ยถ้าหากว่าเรา เพราะยังไงยังไงมันก็เป็นที่พระสงฆ์อยู่เจ้าพระพระสงนขึ้นอีกหนอนมั น, อ, อ, อ, น, น อ, อาจจะเป็นสำนักสง์อะไรอย่างนี้ก็เรื่องของเขาในอนาคตตรงนั้นพอจริงๆมันเพราะโยมนี่ เ, เป็นเพรามันคนมีท<ช>รัพย์เขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรหนึ่เอนองเพียงแต่ว่าเขาต้องการทําที่ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ทําเป็นที่ ที่ตรงนี้ก็เขาจะปลูกพวกผักผลไม้พวกอะไรหลางๆให้คนได้รักษาสุขภาพพระสงฆ์ไปอยู่ก็ดูแลสุขภาพได้เลยเรื่องนั้นเป็นคนรอบบริษัทก็ เ, เป็นเป็นป น, น้าของพระเห <c oughs> ็นคนรอบบรีทท ก, ก็ทําธุรกิจเรื่องของฮีโน่รถรดฮีโน่เป็น บ, บริษัท พัฒน์บุตเขาก็เลยมีที่ส่วนตรงเนี้เป็นบารดกของแม่เขาให้แล้วเขาก็เลยนึกถึงแม่ที่ตายเข า, าะจะทำยังไงเนาะจะทําเป็นวิธีส่วนกุศลให้แม่เพราะเักแม่มา้าก็เลยป่ารบจะบอกเอา ท, ที่ทําป็นที่ปฏิบททัติธรรมอันนี้ก็ก็เริ่มวารมแบบลงคุตติแล้วก็ชาลาต่า น, นี้ลงชาลาปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกต้นพระศรีมหาโพแล้ว ก็เหลือก็เลยลองจะลองจะดีเจะดีฉันบอกฉันอยากเขาสร้างเจะดีที่แรกเขาจะสร้าง้องเขาเลยจะบอกฉันว่าบอกว่าฉันฉันอยากสร้างเ้าก็บอกว่าฉันก็เลยบอกว่านี่ถ้าไปสร้างที่สร้างอย่างนี้มีคนดูแลนัก็บอกกันได้ในร่วมสร้างจะดีสําหรับคนที่เป็นปบัติธรรใช่หรือคนทั่วไปเลยเพรายู่ติดค่ายทหารที่ก็อยู่ติดค่ายทหารนี่ แล้วก็เย็นๆเนี่ยคนก็จะปออกกําลังกายกันเต็มใกล้ๆนะนั่นต่อไปมันเป็นที่ติดใกล้ๆทั้งเชื่อว่าจะเป็นที่ของคนใน อ, อําเภอเมืองลบบุรีก็จะไปบูชากัอะไรเจดียด์ตัว <c oughs> นั้นก็เลยทํางการอยากจะทําเจดียด์ที่เป็นมีชีวิตน่ไปเข้าไปแล้วให้มีความรู้สึกว่าเออมันต่างจากเจดีย์โดยทั่วๆจนหนึ่งก็จะทําเป็น ห้องห้องห้องสมุดแล้วก็จะทําเป็นลักษณะที่ว่าเป็น ค, คล้ายๆระเบียงโคตรที่เดินไปแล้วก็จะมีภาพเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าบําเพ็ญบา ร, รมีแต่ละภาพแต่ละภาพแต่ละภาพอยงแล้วก็ให้คนได้รู้ข้อมูลมมมว่ามามาไหว้พระพุทธเจ้ามางพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ได้ ไม่ใช <laughs> ่ไปทำเงันเดี๋ยวไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวอยากให้คนเขาได้ปัญญาเลยไรเงี้ยก็เลยต้องตั้งหลักกันมาอย่างไงยังไงอย่าพึ่งตายกันโน่นก็รอหลวงพอขอร่วมด้วยช่วยกันคือคิดๆคิดครับ จะได้ทำเอาไว้เป็นอารมณ์อะเลิกเอาไว้เอาไว้เป็นที่อะไรลิกเรา ย, ยังไม่เคยสร้างจริดีนะทำฉันก็ไม่เคยทำมันก็ทำมาแล้วจะดียังไม่เคยสร้างฉันก็ยังไม่เคยทำนะจะดีที่ได้ไปร่วมกับเขาเล็กๆน้อยๆฉันเคยคิดเขาไว้อย่างไง อยากอยากได้จร so ิงอยากทำจเจดีเพราะว่าต้นโทรลี่ฉันปลูกมาเจะเลยคิดอยากจะทำจเจดีแล้วโอ้โหน่าจะได้อารมณ์ที่ดีน่แล้วจริดีนี้ใะใหญ่สักประมาณไหนก็จะหนึ่งก็จะจะคุยกันอีกทีในเรื่องความใหญ่ว่าเราเราพรอมยิงพบก่าจะ็คุยกันอีกทีในเรื่องความใหญ่ว่าเราเรารมงโก ไม่มีข้อมูลเลยคือเหมกับว่ า, าเดี๋ยจะลองถามเจดีโนที่ลักษณนค่ะเดี๋ยวลองถามที่กระทรอาจารย์เพราเขาคือเจดีนี่มันดีมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องลงเข็มเพราะเรามีภูเขาหินมันขึ้นมาประมาณสิบเมตรนั้นฐานภูเขาหินมันกว้างอยู่เลย<ช>อันนี้เราจะเซฟอย่างมากเลยเนี่ถ่ย เพราะว่าเข า, เาอาจจะเพราะเขาสร้างในวันทำอะไรพวกนี้ยอมแหวนเคยไปที่วัดจองคำาที่ลำปางอาจจะเคยหรือไม่เคยือตอนนั้น จ, จะไม่ได้่ใส่ใจเขาสร้างเจดีถ้ามีเวลาลองลงไปดู ที่ถ่ายลงปที่ช่านไหนส่งรูปให้ให้เข่งที่าาถามว่าที่แมจันนั่งดูรูปพระพุทธรูปที่อยู่ในนิยมเชิญสร้างคือมีเขาสร้างเหมือนพุทธคยาท่านสร้างได้ดีอันนี้เราไม่ได้สร้างอย่างเทางนะ่าเท่ามันแต่เรียนว่าข้างในที่เขาทําในพระเกดีเขาทาได้ดีมากไปดูแล้ว คำพูดรูปที่ถ่ายมาได้อยู่ในเจดีย์ในเจดีย์ในเจดีย์อยู่ในเจดีย์ในที่เป็นพุทธกยาใช่ใชบินไปเดี๋ยวว่างๆบินไปดวงไปดูรู้สวยจริงๆโอ้หลวงพ่อองค์นี้เก่งน่าจะยุ่มากเลยชื่ออะไรพ่ชื่อหลพ่ออะไรวัดจองคำวัดจองจองจองคำจองจองจองคำอารามหลวง เจ้คำพระชื่อหลวงพ่อโอภาสอะไรนี่เ่วเขียนด้วเสด็จธรรมพุทธยาจังหวะพุทธยาลำปากแต่แล้วใหญ่ใจใหญ่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่กว่าจริงน่าจะใหญ่กว่าของจริงหน่อยคือน่าจะแต่เขาบอกว่าคือเขาทําได้เหมือนที่ที่แปลกที่สุดเนี่ยคือถ้าไปอยากจะไปถามว่ามันเขาได้ช่างนึงง คนทำใช่ใ <น S 1> เขาสามารถทํา <ใน S 1> จําลองได้เหมือนของจริงมากต้องถามทีมที่เพราะเราเห็นมาเยอะแล้วที่ทําเนี่ยทำมันไม่ก็อยอู่ไม่เหมือนไม่เหมือนแต่อันนี้เหมือนคือทําได้เหมือนแม้กระทั่งช่องทุกช่องแม้กระทํางพุทธรูปทุกข้างนอกเล็กๆๆ วัาจองไร่องค์ค่ะวัดจองทำนั่นปะแล้วตัววัด น, นี้เป็นวัดใหม่หรือว่าวัดเก่าแต่๋ยวนี้เขาสร้างออกมาข้างนอกแล<ร>้วไปสร้าง เ, งเอเจดีเอเจดีแต่คือที่จะไปจะไปแนะนําท่านนั่นเองอยากให้ท่านทำท่านทําแบบที่ที่จอดรถแล้วก็เป็นที่เป็นเหมือนระเบียงคด<ห>เดิ น, น, นหนึ่งนเดินเพราะท่านน่าจะมีงบอยู่แล้วจะไปแนะนํา แต่ถ้าหากว่าเกิดท่านไม่มีแล้วก็อาจหาอะไรช่วยๆท่านมันจะสวยมากเลยเป็นค้าที่ท่านไปเอาช่างที่ไหนที่สามารถทําได้อย่างนี้แตตัวเจดีย์ใช่สร้างได้เหมือนปกติเนี่ยพระพุทะเมตตาเนี่ยใครก็จําลองไม่เหมือนแต่ที่เนี่ยจําลองเหมือนใช่ไหม ในไทยเราไปดูที่จำลองพระธรรมกายตาไม่ค่อยเหมือนแต่ที่นี่จำลองได้ดีแล้วตัวเชนเจดีย์เหมือนที่พุทธขยาเหมือนเลยทุกประการเข้าไปในท่านจำลองเออเอออ่ะบอกๆบอกบอกฝ่าห์ฮะบอกว่าฝ่าหอะไรอะไรในขาบอมีเลยขา นันได้มีโอกาสเท่าที่สังเกต ด, ดูในในคำสอนเนี่ยคนที่สร้างเยอดีแล้วนนส ทำงานอยู่ที่ไหนทำอยู่กับแผนกน่ะค่ะเอออยู่แผนกอะไรตั้งทุกอย่างเลยที่ท <laughs> ไหนยอมแล้ววไม่มีงานนี่งานก็เยอะเลย <laughs> ใช่งานทุกวันไม่เคยหยุดเลย <laughs> มันแก้วจัดกันเลย嘛 อยากมีแต่ก็คนนีคนนี้มได้มาเลยให้มาเลยทำแบบให้มาเดี๋ยวนี้เลยคนทาความสะอาดที่ที่ออฟฟิศแล้วก็แบบว่าบอกให้มาเลยอกให้ให้ตรงไปรับมาเดี๋ยวนี้เลยไมมีรรไม่มีงานบุญก็เยอะจังหวะที่ทำทำนงานบุญเยอไปบอกไปบอกให้ตรงไปรับมาเลยอาจารย์ไม่ได้มาบ่อยไมอถเรื่องอินเทอร์เน็ต ถามแล้วเอออินเทอร์เน็ตว่เดียเขาจะเปลี่ยนให้เดี๋ยวเราเปียนอันนี้ต้องเขี่ยระนต้องเข้าไปเขาแหวนจยแบบคือไม่ได้ว่าสาหรับใช้แต่ว่าสาหรับว่า่านจาชเดือนแล้วมันมันเข้าได้ล็อกอินได้แต่มันใช้ไม่ได้เดี๋จจะให้มาวันนี้เยไม่ไม่จาเป็นโอเคเรเปลี่ยนต้องไปด้วยกันได้ค่ะบอสองคนต้องรีบข้าวจานไม่ได้มามา มีเป็นคนทำความสะอาดสองคนแล้วก็ให้เคสรำ ม, มากเราต้องชอบมากบอกตือมาปี4ีมนเล่นฟัง <c oughs> อะไรบอกว่าให้มาจร <c oughs> ิงๆก็มีบริวารด <c oughs> <c oughs> ีก็จะดีจ <c oughs> ้ะค่ะก็ไม่ไดีอะไรเลยก <c oughs> ็ <c oughs> แต่ว่าช่วงนี้เราอกเพคนที่ได้บริวารสมบัติ มาเนี่ยมาจะกำลังกุศลอยู่ไหมว่าให้ให้ทานอย่างไรรักษาศีลอย่างไรจึงได้บริวารทำอะไาจรองบริวารเขาเยอะแลวดีส่วนใหญ่ออใช่ไม่ไม่ดีก็ได้มาแ้คือคนที่เวลาให้ของให้ของพร้อมได้บริวารคนประเภทเนี้ย เวลาได้ไปอยู่ในอัถภาพไหนแล้วก็จะได้ทั้งบริวารยกตัวอย่างเช่นว่าเวลาจะถวายถวายน้ําเนี่ยปกติเนี่ยบางคนก็จะถวายน้ําก็คือน้ําอย่างเดียวเดินจะมีบริวารหรืออย่างจะถวายหลอดไฟเนี่ยถวายหลอดไฟเนี่ ย, ยเขาจะไม่ถวายแค่หลอดไฟอย่างเดียวเขาจะถวายสายด้วยปั๊กด้วยอะไรด้วยอุปกรณ์พวกนี้ย พวกนี้ยเวลาให้ของอะไรก็ให้ให้ครบเสร็จเขาจงว่าให้ของพร้อมทั้งประธานพร้อมทั้งบริวารหรือถ้าหากไม่มียกตัวอย่างเช่นถวายอาหารพอถวายอาหารปุ๊บเนี่ยสมมติมีอาหารอยู่อย่างเดียวเนี่ยแต่ในอาหารนั้นเรามีหนึ่งสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำอารมณ์คตัววิตามิน คนบางคนก็ให้อะไรเป็นประธานแล้วน้อมเอาอะไรเป็นบริวาร<ม>คนประเภทเนี้ยเวลาให้ของแล้วพร้อมด้วยบริวารแบบเนี้ย ม, มีเจตจํานงมีความจงใจตั้งใจที่ให้ทั้งของที่เป็นประธานทั้งที่เป็นบริวารเนี่ยคนประเภทเนี้ยไปอยู่ในอาถรรพไหนแล้วจะมีบริวารเยอะเหมือนเขาจะวิจิตในการให้ของเวลาจะให้อะไรใครเนี่ย<ะ>ก็จัดการอย่างอะไรอย่า้เห็นไหมว่าแสดงว่าในอัถภาพก์ก่อน เธอก็มีอธัธยาศัยแบบนี้มาแม้แล้วก็ติดอธัธยาศัยมาเวลาจะให้อะไรก็วิจิตเป็นชมแล้วก็ให้ของพร้อมต้องบริวารตรงนี้เป็นเหตุทำให้ได้บริวารทีนี้มันก็มีนะว่าในขณะที่ให้บางคราวเนี่ยเราให้ด้วยด้วยจิตไม่ผ่องใส okay. สองให้วิจิตเข็กนกระด้าง บางครั้งมันเป็นนั้นแหละกรณีที่เราให้ของพร้อมได้บริวารก็จริงแต่ในขณะที่เราให้นั้นตอนนั้นจิตเราแข็งกระด้างจิตเราไม่อ่อนโยนจิตไม่นอบน้องจิตไม่เคารพเออไม่มีความตระหนักในคุณของพระพุธนาฏา ย, ย่างลึกซึ้งเราก็เลยได้ของพร้อมทั้งบริวาร น, นั้นกระด้างกระเดื่องไม่เชื่อฟัง <laughs> ใสต้องใอย่างั้นมเหมือนกันไอเนี้ยมันก็เลยเป็นเหตุมาเหตุผลตัวเนี้ยมันก็เลยทําให้เราได้อ๋อบางคราวเราก็ได้บริวารกระด้างกรันถึงเทียนลุกข้ามอะไรเงี้ยเยอะๆบางทีก็บอกอย่างนำอีอย่างบอกอย่างนำอีอย่างก็ต้องมรู้ว่ามาจากเหตุที่เราทําอ่ะนั้นบางคราวเราก็จิตอ่อนโยนบางคราวจิตก็กระด้านกระเดือนบางคราวจิตก็ผ่องใสบางคราวจิตก็ขุ่นมัวเนี่ยบางคราวก็ทําถูกการบางคราวก็ทําผิดการ บางคราวก็ให้สละขาดบางคราวก็ให้แบบไม่สลักขาดบางคราวก็ให้กระทบตนและบุคคลอื่นบางคราวก็ให้แบบไม่กระทบตนและบุคคลอื่นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุเป็นผลเ้าเรียกว่าเจริญกุศลจริงแต่มันมีความเศร้าหมองกระทบกระทั่งเวลยาระยะเวลากรรมนั้นมันให้ผมมันก็เลยทำให้เราได้ของดีบ้างไม่ดีบ้างได้บริวารที่อ่อนน้อมบ้างไม่อ่อนน้อมบ้างได้ของผิดการบ้างแล้วก็ถูกการบ้าง แล้วบางทีได้มาแล้วบางอย่างไม่กล้าสละของบางอย่างน่ยไม่กล้าทั้งท้งที่ก็ไม่ได้มีค่าทางด้านวัตถุอะไรแต่มันมีค่าทางด้านเราไม่อยากใข่ไข่ไม่กล้าสลักไม่กล้าแบ่งไปแล้วก็บางครั้งก็ได้ของมาแล้วก็ถูกกระทบกระทั่งยกตัวอย่างเนี่ยบางคนได้บ้านได้รถได้ทรัพย์ได้บุตรได้ภรรยาได้สามีก็ถูกกระทบกระทั่งถูกแย่นชิง เราจะเขียนอะไรมาจากการให้ของแล้วจิตใจเรากระทบตนและบุคคลอื่นยกตนของคนอื่นบางทีเราให้แล้วถ้าจิตที่เราไปเปรียบเทียบกนยันว่าเราดีกว่าคนนั้นคนนั้นดีกว่าเราเราสู้เขาได้เขาสู้เราไม่ได้เราสามารถจะเจริญกุศลได้ดีกว่าคนนั้นคนนั้นสู้เราไม่ได้การคิดแล้วเอาใจเราไปกระทบ ไปไปกระแทกเขากระแทกพอเรามีบุตรมีบริวารมีญาติมิตรมีสิ่งของทั้งหลายก็ถูกกระทบถูกกระทบกระทั่งโดนเฉียวโดนชนโดนลักโดนขโมยโดนพ้นโดนหลอกมีสามีก็โดนแย่งชิงมีลูกก็โดนแย่งชิงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมาจากตรงที่เราสร้างมาแบบนี้ นันถ้าเราไม่ปราถนาอย่างนี้ต่อไปก็อย่าสร้างเ ย, ย็นแบบนี้เพราะเราไม่รู้่ยตอนตอนนี้เรารู้แล้วก็เวลาจะให้ก็ให้ให้บริบูรณ์ยังปราถนาอยากจะมีครอบครัวไหมในอาตาภาพถัดไปปราถนาอยากจะมีครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขไหมปราถนามนะครบคัวอยู่เย็นเป็นสุข ปัาถนาอยากจะมีบุตรมีบริวามีสามีมีญ า, าติมิเถิดใช่เนี่ยอนาคตภาพถัดไปเห็นไม่คิดถึงตอนนั้นเลยจนี่ต้งวางแผนนะึงต้องวางแผนแล้วม่อยากพ้นทุกข์เลยเดี๋ยแล้วท่านญาณคือประเด็นคือตั้งพ้นทุกข์เลยแต่ถ้าในระหว่างทางสมมติเราจะไป เราจะไปเชียงราย น, นั่นนั่งรถไปมันจะต้องพักมันไม่รวดเดียวหรอกแต่จุดหมายคือเชียงรายเช้าใไหมว่ที่พักเราเนี่ยเราต้องการได้ที่พักดีหรือไม่ดีระหว่างทางนั้นต้องวางแผนแต่จุดหมายก็คือเหมือนเราตั้งจุดหมายพ้นทุกจริงแต่เราต้องมีที่พักไม่ระหว่างทาง บางทีบางคนเนี่ยไม่ได้กำหนดที่พักไว้เนะี่ยใช่ไหมและไม่กำหนดเพื่อนร่วมทางด้วยไม่กำหนดสิ่งแวดล้อมที่เราไปพักด้วยแต่บางคนก็ชาเราจะต้องได้เพื่อนร่วมทางที่ดีได้ที่พักได้สิ่งแวดล้อมที่เราไปพักแต่จุดแต่จุดต้องดีแต่จุดหมายเราไม่ได้ไปถึงจริงแต่มันต้องแต่เราจะไม่แวะนาน เช่นกันเรกาก ร, ระแสชีวิตที่เราจะดําเนินไปสู่ความบรรทุกเราไม่ได้ปราถนานบุตรภรรยาสามีไอ่เชื่อมไหมเมื่อเราเดินไปในสังสารวัฏต้องเจอไหมต้องเจอก็เหมือนี้เราต้องมาเจอดีบ้างไม่ดีบ้างไอ้ตัวเนี้ยบางทีเราใช้เวลากับมันมากเกินไปทั้งทั้งที่มันมันระหว่างทางกันนะเนี่ยนี่พึ่งพามาอยู่ตรงนี้แต่เราเราไปใช้เวลากับมันมากเลยลืมจุดหมายหลัก คือจะต้องคนไหวให้คนให้ทํากิเลสให้นิพพานให้ได้ทําความโลภให้นิพพานความโกรธให้นิพพานความหลงให้นิพพานทากิเลสนี้ให้นิพพานใี้หมดไปให้ได้แล้วเราจะได้พ้นจากทุกไอจุดหมายหลักบางทีเราลืมเลยไปเล่นจุดหมายลองซะโอ้โหไเพลินกับมันน่ะเข้าหน่ะเข้ากิเลสในใจไม่ได้ถูกจัดการเลยฉะนั้นบางทีเราไม่ได้หวังหรอ เราไม่ได้ติดตั้งหลักไว้ก็จริงใ้แต่ว่าในระหว่างทางมันงเกนในระหว่างที่พวกเราไปนัดเดินทางกั น, นในสังสารวัฏเนี่ยเราก็จะต้องก็จะต้องเตรียมเตรียมพวกนี้ให้ที่จริงถ้าพูดถึงหลา ย, ายหลายคนถ้าที่เาเรมรู้จักยมแหวนมัคนมีโอกาสโอกาสเจริญกุศลได้ดีกว่าคนอื่นมันอาจจะเป็นเพราะอดีต เหตุเก่ากันนะที่สั่งสมมาที่ทําให้ตนเองต้องมาอยู่อย่างนี้แต่เพียงว่าปัจจุบันเราอาจจะเพลินไงหน่อยแค่นั้นเองใช่ไหถ้าถ้าสร้างเหตุปัจจุบันเนี่ยให้ดีตั้งหลักให้ดีเนี่ยโยมแหวนจะได้กุศลจากการที่หนึ่งไม่ต้องเดือดร้อนเลยไม่ต้องเดือดร้อนจากการที่ต้องหาทรัพย์ไม่ต้องเดือดอากการออดอด้อนจากการที่จะต้องไปขนถ่ายอะไรอย่างอื่นเลยเพียงตั้งหลักว่าเราจะ จเจรกุศลได้ทุกรูปแบบด้วยใช่ไหมเหลือเพี ย, ยงแค่นี้เองใช่ไหมละ่ะในหลายคนเนี่ยโอ้ยต้องไปพอนบ้านพอนรถซื้อต้องอะไรทำธุรกิจเยอะๆในยุค แ, แบบนี้ด้วย น, น, นี้ไม่เดดไม่เดือดร้อนเลยตั้งแต่เกิดมาใช่ไหมเนี่ยดูที่กาลังกุศลดีขนาดนี้อย่างทีนี้โอกาสที่มันหมดได้นะมันอยู่ตรงลมหาใจ หรือบางทีเราไม่ใจยังไม่น่าจะหมดได้จริงจริงคนมันมีโยมคนหนึ่งที่เอามารู้จักเธอไปเรียนอยู่เมกาโู้มีบ้านอย่างนี้ด่เป็นเหมือนเธอหามีวันนึงเธอก็เห็นโอ้เราม า, าได้ยังไงดิโอ้บุญเก่าเนี่ยเนแล้วเธอก็คิดต่อว่าแล้วนะบุญเก่ามันหมดได้ไหมพอบอกหมดได้จะตกใจเลยตั้งแต่นั้นมาเธอค้นขวายเจริญกุศลมากเลยมันหมดได้จริงๆ เตรงนีงน้ถ้ามองดูแล้วมามองโอ้อโยแหวนได้โอกาสเป็นคนที่มีโอกาสในการที่จะเจริญกุศลเล่มากกว่าพี่น้องได้มีทั้งหลายเลยม่เพาะต้องขนหวให้างานเั็มีแล้วมียนางแต่เรามีโอกาสมากกว่ารวกนอื่น นี่บุญรักษาตอนนี้ไม่เห็นเห็นแล้วว่าว่าว่าซึ่งซึ่งซึ่งขาไม่ก่อนเราวิ่งนู่นว่งนีพอเราหแล้วอย่าตอนนี้เห็นว่าเราจรงเรามีโอกาสเรามีโอกาสคนอื่นแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดชาติอื่นพบเจอเราอาจจะไม่ได้โยกไม่มีหรือก็ก็อะไรนะเพราะว่าโอกาสแบบนี้หาไม่ง่ายเลต่อให้คนมีทรัップ เขาไม่เยมีโอกาสไม่มีโอกาสมันจะมีว่าบางคนมีทรัพย์แต่ไม่มีศรัทธาบางคนมีศรัทธาแต่ไม่มีทรัพย์บางคนมีทรัพย์และมีศรัทธ า, าด้วยแล้วก็ควนขวายในกานที่จะจะเรียนรู้เสร็จเหนตรงนี้เป็นโอกาสเป็นโอกาสที่ต้องตํอเรีงนหลวงพ่อมีค้าที่หวงพ่ออยากจะส่งไปทีพ่พญามังกรจอมน้ี่องค์ ไม่แล้วแล้วแต่แล้วแต่หลวงก็ร่วรางกัแแแแนแต่ว่าโยมจะไม่ได้เป็นคนจัดเลยเจ้ค่ะคือคือแบบว่าถ้าเกิดมีองค์ไหน <c oughs> อยากไปก็แบบว่าจะจะจะเหมือนจะสปอนเซอร์เจ้ค่ะ <c oughs> แต่ว่าโยมมาจัดไม่เป็นจัดคือเคยเคยมีคนเขาจัดก็ก็ก็สปอนเซอร์ไปเป็นคาถาอุษาเจคะที่องค์เขาไปหลายองค์เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นก็ร่วมร่วมกันหลายหลย คือหลายคนช่วยกันสอนเสร็แล้วตอนนี้จะไปส่งพระที่ภูฐานใช่ไค่ะไปพุทธคยาค่าใช้จ่ายก็เยอะไหมจากภูฐานไหมพูฐานจะพูฐ า, า, านเนี่ยคือท่านบอกค่าค่าเครื่องบินเฉยๆเนี่ยค่าเครื่องบินเฉยๆมันรอเรา600เหรียญ600 600เหรียญคูณคูณสาเท่าไหร่ หกหร้อยเหรียญคูณสามสิบสี่เท่าเท่าไหร่สองสหมกว่าจริงจริงถูกกว่าถูกกว่าของเราขอเราประมาณห้าคือรู้สึกคือท่านท่านบอกว่าเหมือนว่าคือพูดกันก็ยังพูดแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องแบบมันมีปัญหาทางด้านภาษาแต่ว่ารู้ว่าค่าเครื่องบินเนี่ยเราหกร้อยกว่าแล้วเหมือนท่านเนี่ยก็คงมีพระปูฐานที่อยู่ที่พุทธคยาอยู่แล้วก็คงจะเอา คลาปุ่มเนี้ย ไปไเหมือนไปฝากดูแลก็รู้สึกท่านท่านแค่ต้องการาค่าเครื่องบินตอนแรกโยมจะส่งไป5องค์เขาก็พยายามจากกัดจนแบบส่งสไปได้7จองค์ท่านก็บอกว่าเนีย่ยจะพยายามจะเนี่ยส่งไปสิองค์โยมก็เลยบอกโอเคงั้นให้ไปอีกก้อนส่งไปเลยทีเดียวสิบหกสองเพราะตอนแรกที่ว่าจะส่งทีละ5อ้องค์ทีละ5อ้องค์เหมือนพระองค์ไหนที่เรียนดีนะเจ้าค่ะที่พิพูฐานส่งไปทีละ5องค์แต่รู้สึกเขาจัดแบบเหมือนกลุ่มใหญ่เนี่ย มันจะง่ายกว่าก็เลยบอกให้เขาจัดกลุ่มใหญ่แต่อาจจะเรไม่ได้โสดนี่ก็ดีแล้วเดี๋ยวมาจัดหนเพราะว่าจริงๆพระที่อยากไปมีเยอะดีสุเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวไปถามคนอื่นว่ามีใครอยากจะช่วยสปอนเซอร์พระส่งมาอขยีอ่าดีมากแต่คือแบบเรียนท่านอาจารย์บอกว่าโยมไม่ได้เป็นคนจัดคือแบบสปอนเซอร์เพราะว่าจัดไม่เป็นอ๋อไหมสิริราช แล้วก็หาหาคนจับต้องหาหาคนจัดีดดได้ท่านไหนองค์น่เอให้ท่านไหนนำ <c oughs> นำอ่าเดี๋ยวให้ท่นนานไหนนำมีเจ้าตากันรวมด้วยใ่ห้ให้ท่านไหนนำยังไม่แข็งแรงมาหาพระอาจารย์ไปก่อนเาไปสัปดาแรงๆแลอยากจะคือจริงๆมีมีพระท่านกรา่านอาจจะไปมามามา เพิ่งูกิปไหนค่อนข้างเนอยากเดินทางัเดวให้พระอาจารย์นอยากไปด้วยสิสัคไปไหมเ้าค่ะอยากไปอยากให้ต้นต้นธันวก็กาหนดไว้เลยกหนดไว้เลยดีใชต้นทันวเพราะว่าต้องเรียนนะต้นธันวาไหเาไปอยากไปเนยพระอาจารย์ไปยยงขอตามใช่แต่จะต้องหาเจ้าทัวร์จัดพเราจัด่ได้ได้ได้ ปกติเนี่ยฉันไปหาได้หาได้คุณต้องหาเจ้าถัวจัดปกติฉันไปบ่อยเท่านั้นเพาจะนิมนต์ไปเวลาไปแต่ฉันจะไปแบบไม่ชอบ เ, เอร่งรีบเพราะสุขภาพแล้วค<ช>ือพระอาจารย์ ไ, ม, ไ, 4, ไม่จะไม่ไป ท, ทั้งสี่ใช่ไจะไปแคุ่ทยาเท่านั้นหรือยังไงก็แล้วแต่เราจะกำหนดกันแล้วแต่จะกำหนดอ่า เระโยชน์สามครอาจารย์ไม่พอเยปรมยที่ว่าถ้าไปมันจะหนึ่งทำให้เราไปแบบเราไปหนึ่งได้ได้ข้อมูลที่ถูกสองได้ไปบูชาชได้ไปปฏิบัติธรรมกันเนยได้ไปปฏิบัติธรรมมากกันแล้วก็ <c oughs> คือคือถ้าไม่มีข้อมูลมันเป็นเรื่องยากจริงๆถ้าเราไปมองอิฐ มองดินมองทรายมองสิ่งซากปลกากักพังแล้วให้ให้ได้เข้าเข้าพทธเจ้าได้จริงๆงเนี่ยมันยากนะใช่ั้ยครับไม่ง่ายเลยขออนุมทนาจา <c oughs> นม<ำ>หอมมันมีมันมีอยู่ที่หนึ่งเราเคยไปกันนี่อย่างที่ว่าที่แสดงธรรมจักกับพระวัฒนาสูดได้ไปอย่าง <c oughs> ส า, าสารนาสารนาธเคยไปแล้วใช่ไหมอ่าไปลองล่าความรู้สึกที่ไปดูไมคือแต่ตอนนั้นไปคือคนจัดมาเป็นคนแขกเป็นครัวทัวแขกอ่าไมเนี่ยบบถือว่าเป็นเป็นทัวแล้วก็คือเขาไม่ได้มีเขาเป็นคนฮินดูเขาก็ไม่ได้มีความเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นมันไปลักษณะทัวส์ ม, มากกว่าอ่า เห็นไหมแต่ละคนนี่ไปไปไปขึ้นถามอายอุยมบีเนี่ยไปกับพระใช่ไหมพระไปนั่นได้อย่าง ไ, <ป S 1> ไงแล้วไปนั่งก็ไปนั่งสวดก็ท่านก็อธิบายธรรมจักรแล้วก็ท่านสิรินำสวดธรรมจักรอยู่นนตรงนั้นแล้วก็ได้นั่งคือใช้ใช้เวลานั่งแต่ว่ามันไม่มีข้อลพื้นฐ า, น ค, าคนคือต่างคนคือนั่งสวดรวมกันแต่เสร็จแล้วก็จะปล่อยนั่งสมาธิต่างคนต่างกันแต่จริงๆที่ ที่จริงในที่ที่ธรรมจักรกับวันนสูตรเนี่ยเป็นที่ที่ควรควรรู้ข้อมูลยิงหนึ่งเรามีมูลคันกูดีกับพระเจ้าเป็นพระุพระคันกูดีเป็นที่ประทับครั้งแรกตอนอรู่พระเจ้าสองเรามีสถานที่แสดงธรรมจักรกับพระวันน่าสุที่เป็นเจดีถูกตัดไปถูกตัดหายไปเหลือแต่เหลือแต่ที่ฐาน เขาตัดตระฐานเจดีไปตัดตัวเจดีองคเจดีไปไปทําที่ถนนตูร่าถนนพระบรมสารีเรือท่าเขาก็ไปลอยลงในแม่น้ำคงคาใช่ไหมครับแล้วสามก็คือมีที่แสดงอนัตตลักณะสูตรก็คือทําเมฆกับสถูปที่เป็นสถูปใหญ่ๆและสี่ก็มีสถานที่ที่เป็นย่ศาศักดิ์สถูปสถูปที่พระเจ้าโปทิย่ศักดิกุลบุตร ยะ ก, กระบุตรเนี่ยเป็นลูกของนางสุชาดาซึ่งถวายข้าวพระทุปข์ระยาเพื่อญาตาตอนที่พุทธะยานั้นยะศาโ ก, กระบุตรเนี่ยเป็นลูกของเศรษฐีนางสุชาดาเนี่ยมีบ้านอยู่สองแห่งแห่งหนึ่งอยู่ที่บาลานสือหรือสารนาอีกแห่งหนึ่งก็อยู่ที่ตรงพุทธะยาตอนนี้นางถวายข้าวพระทุปข์ระยา ต, ตอนนั้นต้องการถวายให้กับเทวดาเพราะตนเองเนี่ยต้องไปแก้บน ได้ลูกชายเนี่ยเรก็คือยศศาสตร์ุรบุตรนี่แหละที่โตแล้วนี่แหละยศศาสตร์คุระบุตรเนี่ยเป็นคนมีบริวารเยอะมากมีบริวารแวดล้อมมีนางบำเรอเป็นพันคนเป็นพันพันคนเลยแล้ ว, ลวตอนที่นางสุชาดาถวายข้าวพระทูตญาณก็ไปบอกกับพระโพธิสัตว์ตอนนั้นยังไม่ได้ตัดสรูรบอกว่าข้าพระเจ้า สมปรารถนาเช่นไรขอให้ความปรารถนาของท่านจงสมปรารถนาเหมือนที่ข้าพเจ้าปรารถนาด้วยทีนี <c oughs> yeah. ่่จริงตอนนั้นน่ะนางสุชาดาไปบอกว่าตนเองสมปรารถนาแล้วที่มีบุตรชายแล้วก็เจริญวัยจนโตมีบุตรมีมีภรรยาแล้วเนี่ยตนเองมาทำการพรีกรรมอุทิศ ทําข้าวมัทุปายาถวายเดชเทวดาตอนนั้นสําคัญว่าพระโพธิสัตว์เป็นเทวดาแล้วเอาถาดทองคางเป็นถาดทองถาดทองคํานี้ยถวายข้าวมัทุปายาญาติอสองคนเนี่ยฟังทํามทุกวันเอามาใกล้ใกล้ <c oughs> มาใกล้ใกล้เลยเผื่อจะมาถามอะไรท่านมีโอกาสแนละฟังเรนะื่อา มาอยู่ที่นี่เลยอ่อทำอยู่ที่ออฟฟิศเจ้าค่ะทามานี่นกแก้วทำมากี่ปี30แสิบ้วโอ้โหค่ะฮะบุญเลี้ยงนกแก้วช้านุปีละแเ่แต่ปีสามสองสามสองนุีสาสองนไม่ถูกยี่สิบปียสสบปีบุญเลี้ยงก็มาหลังนกแก้วนิดหนึ่งใช่ไหมค่ะเลี้ยงมาปีส5มห้า นี่ก็ไปพุทธิยัญญามาแล้วใช่ไหมเอ้นกูุรเดียงเข้าไปใช่หระค่ะล่าส่งลูกน้องไปฟังธรรมะเรื่องอะไรฟังมะไรสาระธรรมะเรเ่องอะที่ขึ้่ให้ไปอที่ขึ้่งอันอันอันใหม่อ่ะที่เพิ่ให้ไปริ่มไปเลยก็ฟังบ้างเหมือนกันฟังแต่อันันเก่ามีความตลอดคือให้ของพระอาจารย์ไปแล้วค่ะแล้วมีอันอันแรกที่แบบที่ให้ทไปคบบบ ชอบฟังธรรมะเลยชอบค่ะเลยตอนที่สี่ตอนคุณแหวนยังไม่ได้ให้ฟังอืฮ้ดีแล้วฟังก็เหมือนเขาไม่ต้งจไมได้จำไม่ได้ก็ฟังก็ยังดีดีกไม่ได้ฟังฟังดีดีก็ไม่ได้ฟังทางานอยู่เลยคยณแหวนมานานนะก็เราจะทาไปอีกกี่ปี มีหน้าก็คงจะได้ออกอยากออกรึอยกจะออกอยากจะออกอยากจะออกเพอะไรมันมันอายุมากเลยอยู่จังหวัดอะไรอยู่เซนนอ๋ออำเภออำเภอเมืองค่ะไปอยู่กับลูกลูกไปอยู่ที่โคราชนี่แล้ว ก็อยู่กับเพื่อนเลยบอกกันตรงเลยในเพื่อนเลยเพื่อนอยู่คร้อมก่นไปทํำรายกันได้ออกไปแล้วก็บ้านเขาก็ทํางานแต่ก็ไม่ได้ทำเนาะอยากเยะกลับไปทำงานเพื่อนเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ก็เห็นผู้หญิงเป็นทงทงและอ๋ออนออ๋ออ อ๋อเพราะอย่างนี <kers> <t thrive c oughs> ้เองถึงอยากออกให้อยู่ใช่มั้ยอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็69แล้วค่ะโอ้โหถ้ายอมไหมจะทำอยากออกมั้ยยังยังยังยิ่งตายลายอีกยังอยู่อีกหลายปีตอนเจบเก้าเจ็ดเอ้หกสิบเก้าเ แก่แล้ว啊พอแก่แล้ว啊ไปตายแล้วไปไปตายแล้วบางทีบางทีความอยากนความอยากความต้องการมันมันมาจากความไม่รู้ค่ะมาจากความไม่รู้มาจากความไม่รู้นะ ที v v DJ, ่พอมันความไม่รู้แล้วจริงๆก็คิดว่ามันจะดีพอไปจริงๆปัญหาเต็มทหมดลงั้นแหละค่ะเหมือนนู่มันนะเนาะไม่ท่านกัไอยากอะไรเนี้ยสร้างอะไรท่านม่สร้างท่านปฏิบัติธรรมอย่างเดียวโยงก็เหมือนกันโยงก้อเมันแลนมาที่เมือ ตีสี่อ่ะคตีสี่ตืนมานนนี่มานี่มาอยู่ที่ตรงนี้ดิฉนไม่ได้อยู่ออฟฟิศด้วกันอยู่ออฟฟิศจ้าค่ะยังไม่มีโรคประจำตัวนะอหมมีเบาหวานโอ้โหตายลยแล้วยมีโรคประจำตัวไหมมีปวดหมาจากอะไรไม่รู้ค่ะ คิดเยอะนี่สินคิดนี่สินบ้างอะไรบ้างเรียนท่านอาจารย์นะแล้วท่านจะช่วยเรียนสิี่สิแล้วก็อยากอาจารย์หลอกนี่สินช่วยไม่ได้หาแบบแบบหาทางอแบบแนะนาให้ฟังทำมาก็ค่อยดีขึ้นค่อยแบบ โปรงไปบ้างอุ่เลี้ยนมีนี่สินจะไทแบบนี้่จบเลี้ยงมีนี่สินไทบนี้ก็มีเสบ้านนดีแล้วมีนี่สยเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกกระตือรือร้นดีที่จริง ที่จริงความความความทุกข์นี่จริงๆแล้วบางทีเราต้องรักษามันไว้ <laughs> มันถึงจะอยู่กับเราได้นานๆถ้าไปถ้าไม่ไม่พยายามไปคิดถึงมันเดี๋ยวมันหายไปเลยนะ่นั้นถ้าอยากจะรักษาความทุกข์ไว้นานๆก็คิดถึงมันดีกว่าเรอพราะจะลืมก็คิดถึงจะลืมก็คิดถึงไม่เราคิดถึงลูกลนะถ้าไม่คิดถึงลืมจริงๆนะลูกเนี่ย ลองดูดิลองไม่คิดถ้าเราไม่คิดถึงน่าใจคิดถึงเขาบ่อยๆคิดคิดคิดกล่อมใจตัวเองไม่บ่อยๆว่าเรามีลูกเรามีลูกเรามีลูกคิดอย่างนี้บ่อยๆนะแล้วมันจะไม่ลืมแต่เั้นลืมแม้กระทั่งให้เขาเกิดวันอะไรคือแปลกมนุษย์เรานี่ยไม่คิดถึงเรื่องอะไรก็ลืมเลยลองทําดูดิเราไม่คิดถึงเขาบ่อยไม่คิดถึงแล้วไปคิดเรื่องอื่นนะเขาถ้าเข้าไปไปถามให้ลูก เกิดวันอะไรเริ่มเรื่องมงงนะเขานะเขาจำชื่อลูกเขาจงไม่เลยเคยเป็นไหมล่ะเขียนไม่ถึงค่ะเป็นต่อไปมันเป็นขนาดนั้นต่อไของต่ลองถามแม่ใช่ไหมจำชื่อลูกไม่ได้ทุกคนเลยนี่ไงคือความจริงเนยมนุษย์เราต้องระลึกบ่อยๆระลึกบ่อยๆตัวเราเองก็เหมือนกันสักวันหนึ่งเนี่ยบางทีเราจะจำแม่หั้งชื่อตัวเองไม่ไ ขนาดนั้นโอ้โหมนุษย์ mm hmm. เวลาเกิดที่สภาพร่างกายมันแก่ตัวลงเนาะตาก็เริ่มแย่ลงหูก็แย่ลงเนะี้ย <Okay. S 1> อินทรีย์ทั้งหลายเหล่านี้เริ่มเสื่อมสภาพหมดเราเราพยายามออกกำลังกายพยายามที่จะทุกอย่างนี่แต่ในที่สุดจริงๆมันเอาไม่อยู่เอาไม่ mm ้ hmm. ใช่ไหมนี่คือความจริงนั้นที mm ่โยม เตือนบอลต้องต้องดูการว่าเออตอนเจอตือนตีถ้าถ้าหากว่าเตือนไปเพราะตรงนั้นถึงตรงนั้นแล้วยังไม่มีโรคเลยนีค่ะคนหนึ่งเออเตือนไปเลยกกกับมาสตืแล้วลูกทาอะไรกันเราะตอนนี้เขาอยู่กี่ครอบครัวไม่ทำอะไรแต่ก็ไม่มีงานยังแข็งแรงนหม ยาเบาหวานนี่เป็นขนาดห น, นต้องฉีดยาไมไม่ใช่ฉีดกินยากินยาก็ต่หมอเขาจะนัดเตือนที่ <c oughs> ถือว่าไม่ดีนี่เบาหวานจะขึ้นม า, ม า, ม า, มาบ้ากงก็ขึ้นแลตัวเลเท่าไหร่จะเป็นซาเมมันเกินเท่าไหรหมอตาพรแก้วเขาเบาหวานเขาไม่ค่ขึ้น กว่าต้องพยห้ามไม่ให้กินของหวานเยกินของหวานเน่แหละขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่ก็กินยาประจำยาสมุนไพรอาจารย์เขาให้กินกินกินมาแก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่ปวดมี่คกอทางานได้มีสองคนแฟนแต่มียังอยู่ด้วยกันอยู่ แฟนทำอะไรทางานขับรถมีโรคประจำตัวเลยปวดหัวอย่างเดียวปวดหัวอย่างอื่นไม่เป็นเ น, ะะโโนาป ะ, โโนะปวดตอนเช้าหรือปวดตอนเย็นจะปวดตอนเุ้าตอนเช้าเลยตอนเช้าตื่นขึ้นมาใช่มค่ะแต่ดงว่านอนไม่ค่อยหลับนอนก็หลับไปไม่ยาวนอนคุณภาพการนอนไม่ค่อยดีค่ะรู้ไหมว่าทําไมถึงนอนไม่ค่อยดีๆๆ จะเกี่ยวกับคิดมากว่าจะไม่คิดก็อดไม่ได้เอางาช่วงนี้แม่ป่วยอยู่เลยอ๋อคิดอะไรคิดมากเลยแม่ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่พ่อเละพ่อเสียไปว่าปีน่าหลายแม่ป่วย เลยคิดเลยคิดแล้วจะทำให้แม่หายมั้งเลยคิด <c ười> คิดเขาคงไม่หายตั้งแตโลกธรรมดอ๋อปีนี้แม่ก็81แล้วก็ให้เหตุผลดิ เ, เราจะคิดเยอะๆแม่จะได้หาย <c ười> คิดก็ไม่หายไม่หายเลยก็หยุดคิดดีกว่าได้ขนาดนใช่ไหมคิดมั้งไม่คิดมั้งโอเคเอ่ะ สาทุกมีเวลาเรียนถามนด้วยเแล้วแกถามว่าจะไม่ดีต้องถามบอกว่าจะออกไปเนี่ยมในชีวิตจะเป็นยังไงต้องถามอย่างนั้นพราจะบอกให้ว่าจะเป็นยังไงอ กติกานะาินะอืมก็ช่วยเหนถ้าออไปอย่างวออกปีหน้าปีนี้จะเป็นยังไงอะไรอยู่กับเขาได้ไมถมลยาได้ไหมอะไรเนี่ยกาคือใครรู้ัเพื่อนกัตั้งแต่มัยอยู่โรงงานโรง จอไปอยู่โรงงาน้บอยู่บ้านกับเาอ๋อานที่ยุคแก่อ๋อคจับไปอยู่ระชาออาเป็นครม่ะไบอกอ่าแล้วสามีน้อแก้ไปไหนเนาะอุ้เลินกันตั้งแต่เออนี้เลนี่ไม่ได้ทางานกานชินจงค่ะทางานอยู่ที่ออต้องถามต้องถามอย่างนี้ถ้ากรณีแบบยอมต้องถามว่าออกไปแล้วมันจะเป็นยังไงใช่ไหม เออมันจะดีหรือไม่ดีต้องถามพระถามแบบนี้านะมั้ยนะใช่ไหมมี<ะ>พระน้ำล่องให้ถ <c oughs> ามว่าปางท่านท่านท่สาม <c oughs> เราจะพอชอบถ้าออกไปไปอยู่กับคนนี้จะดริงไหมอะไรอย่ <c oughs> อางนี้เขาจะเขาจะจริงใจกับเราไห ม, ไม <c oughs> ถามเรียนถามทัลยดาสมาตอบแล้วเนาะเนาะคืออย่างนี้ยอมเออความรู้สึกของยอมมันไปหมดแล้ว เข้าใว่ามันไปหมดแล้วถึงพระถึงพระจะบอกยังไงยอมก็ไปรูแมนรูแมนลองยอมเลยจไปจไปกับตีนี้แล้วอาวเาวยังไงอ่ะถ่ายแล้วไม่ได้คนะจจ ยอมเชื่อว่านรกมีจริงไหมครับยอมเชื่อว่านรกมีจริงเลยเชื่อเชื่อหนึงั่งดนั่ย่งยมเจอแน่นอนได้เหรอไปทดลองดูเหอแล้วจะได้รู้ถ้าออกไปอะเหรอเจ้าคะแล้วจะให้เขาทำยังไงดี่ะก็ทำไงได้ก็ทนความอยากไม่ได้แล้ว ฉันไม่รู้ด้วยนะไม่รู้ด้วยนะโอเคอาจทำไม่ดี